บทที่สิบเอ็ดเสียงตอบมาด้วยข้อความอันเต็มไปด้วยปริศนาสะกดทั้งเชืฐาและชัยยันให้ปฏิบัติการอย่างใดไม่ได้ไปชั่วขนาดหนึ่งด้วยความแปลกมหาศัจรรยขีดสุดสมองเริ่มมึนงงบุนติว้วเขาทั้งสองไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้เลยในตอนดึกของคืนนี้ก่อนที่ทำนบเบื้องบนจะแตกน้ำทลายบาล้นลงมา ทุกคนของคณะแววเสียงสำเนียงเรียกนามอันลึกลับนี้ลอยมาตามลมก่อนแล้วนามของจิตตรังคนางตัวเช่ดถาเองช่ยยันและแม้แต่อานุชาก็ได้ยินนามที่ถูกขานเรียกเหมือนจะร้องหานั้นจนถึงกับต้องลุกขึ้นมาสดับตรับฟังและสอบซักหาหารือกันว่าแต่ละคนได้ยินเหมือนกันหรือไม่ซึ่งผลก็ปรากฏออกมาว่าทั้งสามตางได้ยินเหมือ น, อนกันทั้งสิ้น เป็นการได้ยินระหวานที่แต่ละคนเคลิ้มเคลิมใกล้ฉลับคล้ายจะแววไปเองแต่เมื่อสอบทวนซักถามกันมันก็ได้ผลออกมาตรงกันว่าต่างได้ยินเสียงเรียกนามประหลาชนิดนั้นแน่นอน ม, ม, มีดารินคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้แสดงว่าได้ยินหรือสนใจอะไรเลยและกลับเป็นฝ่ายบอกว่าพวกพี่ๆและเพื่อนหูฝาดไปพร้อมทั้งบอกให้ทุกคนพยายามหลับเสียอย่าไปสนใจอะไรอีก แต่ชั่วขณะดเดียวน้ำจำนวนหลายหมื่นหลายแสนคิวบิกเมตรก็โกรกกระนำซัดลงมาบัด น, นี้ทั้งเชษฐาและชัยยันได้สะดับน้ำจิตตรางขนางอีกครั้งจากเสียงของมันไตรอันนำไพร่พลผีดิบซากมามีหมื่นแสนปีของมันเข้ามารายล้อมไว้รอบด้านซ้ำยังเอ่ยอ้างด้วยว่าเป็นน้ำในอดีตชาติของน้องสาวคนเล็กแห่งคณะคือดารินวราฤทธ ผู้บัดนี้ไม่ทราบว่าไปตกอยู่ในภาวะใดที่ไหนภายหลังน้ำแทงซัดลงมาอย่างรุนแรงถล่มที่พักเอ่ยอ้างเป็นข้อความต่อเนื่องผูกพันเกี่ยวโยงไปถึงนางพญาพันธุ์ุวดีเจ้าหญิงแห่งลิตราครผู้ทุกคนในคณะผ่านพกและแก้ไขคลี่คลายเหตุการณ์ให้แก่วิญญาณที่ต้องทันเพื่อปลดปล่อยให้หลุดพ้นไปได้แล้วในครั้งนั้นมันอะไรกันนี่ ทุกคนรู้จักนางคุยาพูดโลโฉมในโลงแก้วภายใต้มนตสาวของมันตรายเป็นอย่างดีและพอจะรู้เรื่องราวความเป็นมาในอดีตมาก่อนบ้างแต่ไม่เคยได้ทราบประแค่ราคาอะไรเกี่ยวกับจิตตรังขางอันมันตรายระบุว่าเป็นเชิฐถาพั ค, คินีหรือพี่สาวของพันธุ์ธุมบรีมาก่อนเลยฟังดูมันเป็นสิ่งเร้นลับและลี้ลับแฝงซ่อนไปด้วยความในเลือประมาณ อะไรก็ตามเถอะข้อเสนอของมันตรก็คือปรารถนาที่จะได้ตัวจิตตรังนางที่มันอ้างซึ่งความจริงก็คือมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริศในปัจจุบันชาตินี้วิญญาณชั่วไรอมตากของมันตรต้องการดารินเทฐาสบัดหน้าแรงๆพยายามเรียกประสาทความรู้สึกสำนึกตนให้กลับคืนมาส่วนชายยานพึมพำออกมาเหมือนกระลำพึงกับตนเองว่า อะไรกันหวานี่ไม่รู้เรื่องเลยมันมาตู่อะไรน้อยแต่ที่แน่ๆก็คือมันประกาศชัดแล้วว่ามันจะเอาตัวน้อยไว้ท่านหัวหน้าคณะกระซิบตอบถ้าคิดว่ายัางพอจะเจรจากับมันได้กะชวนพูดต่อไปเชทฐาลองให้มันบอกอะไรแกเราให้มากที่สุดเพื่อของเขาเตือนเจ้าแน่ใจหรือมันไตรว่าน้องสาวของเราคือจิตตรังคณาที่เจ้าเอ่ยถึง เชษฐาพยายามทวงเวลาเพื่อการติดต่อกับวิญญาณช่วยราให้มากที่สุดเพราะโอกาสชนนี้หาได้ยากที่สุดแล้วนางเองก็ตระหนักแน่แก่ใจตนเองดีว่านางคือใครเว้นไว้แต่จะไม่บอกให้พวกสูรู้เท่านั้นเป็นคงตอบที่แววมาจากเจ้าปีศาจคำังเวทผู้ไม่ยอมเกิดและไม่ยอมดับสูนเอาล่ะเรากำลังรับฟัง เราจะบอกได้ไหมถึงความเป็นมาในอดีตของผู้ที่จะเรียกว่าจิตกลางคณาไร้ประโยชน์ที่ตูจะพนานาถึงอดีตการให้พวกสูฟังถึงอย่างไรพวกสูก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกจงตอบเราแต่เพียงพวกสูจะตกลงตามสิ่งที่ตูเสนอเป็นข้อแลกเปลี่ยนนี้หรือไม่เพื่อการที่จะได้รอดชีวิตกลับออกไปยังโลกของสูแทนที่จะมาพินาศกันหมดสิ้นทุกชีวิต สำเนียงนั้นคุก ค, คามขู่เค้นและสำทับขวัญเชิดถายิ้มอย่างใจเย็นค่อยๆกล้มลงไปเก็บไรเฟิลของข้าที่ตกอยู่ตรงหน้าใกล้ๆขึ้นมาถือไว้แล้วเสียบปืนสร้างเข้าซองข้างเอวเพราะอย่างน้อยตัวไรเฟิลเป็นเหล็กหนักทั้งดุน้นนอกจากจะใช้ยิงได้แล้วก็ยังใช้แทนพลองได้ดีพอสมควรอีกด้วยและเขาก็มั่นใจว่า แม้จะยิงจนกระสุนหมดโดยบรรจุไม่ทันแต่มันก็ได้ปราภพมน้ํานตของอรหันต์แล้วเพียงแต่ฟาดกระนําหรือกระทุ้งกระแทกไอเหล่าผีร้ายของมันไตรก็ย่อมจะต้องพังะออกไปอย่างแน่นอนถ้ามันบุกเข้าประชิดตัวมีขยินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ปืนลูกซอของตนเองตกอยู่ยังไม่อาจเคลื่อนพ้นจากกลุ่มที่ยืนรวมกันอยู่เข้าไปหยิบมาได้นอกจากกําดาบเดินป่าประจําตัวแน่น ขยินเองก็ฟังภาษาที่มันตรายโต้ต่อมานั้นเข้าใจด้วยจิตเช่นกันได้ขนะนี้เจ้านายบ้านลมช้างยืนเบียดชิดไาลกับชายยันนิ่งสมมติว่าเรายอมสละน้องสาวของเราให้ตามประสงค์ของเจ้าแล้วคณะของพวกเราอีกฝ่ายหนึ่งที่ล่วงหน้าไปก่อนนั่นละ่ะเจ้าจะยอมแล้วเว้นการจองเวรและปล่อยให้พวกเขารอดปลอดภัยด้วยหรือไม่ พี่ชายใหญ่ของคณะทั้งหมดพยายามต่อรองต่อไปบตรดนี้เขารู้สึกขนลุกสู้ขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ได้เกิดจากความสยดสยองพองขวัญหากแต่ด้วยความตื่นเต้นยินดีเราท่ามกลางความเย็นเยียบของอากาศอันแสนหนาวและเปียกชืน้นไรเฟริลที่เขาหยิบขึ้นมาในอุ้ง ม, มือขนาดนี้ทุกส่วนของมันไม่ว่าจะเป็นเนื้อเหล็กหรือไม้กระโจมมือผ่านท้าย เริ่มร้อนขึ้นตามลำดับอย่างประหลาดเหมือนถูกกล่นด้วยไฟเขามั่นใจแล้วว่านั่นคือสัญญาณหรือลางดีอันหมายถึงอิทธิอำนาจแห่งพระพุทธคุณที่ลงไว้เริ่มสําแดงฤทธิ์แล้วเหมือนจะเตือนให้ทราบว่าพร้อมที่จะใช้เป็นอาวุธโรมรันกับพวกนี้ได้แม้จะไม่ใช้กระสุนยิงก็ตามและพร้อมกันก็ได้ยินเสียงกระซิบร้อนรอนจากชา ย, ยันว่า ปืนในมือฉันทำไมมันถึงร้อนจีขึ้นอย่างนี้เษ่าของแกมีอาการอย่างนี้หรือเปล่าเขาสะกิดด้วยศอกพุทธานุภาพลงมาสถิตยอยู่ในปืนของเราแล้วชายันระวังอย่าให้หลุดมือแม้ว่าแกจะยิงจนกระสุนหมดไปแล้วก็ตามถ้ามันปรี่เข้ามาถึงตัวเมื่อไหร่เราจะใช้แทนไม้พลองหรือหอกฟาดกับมันเชื่อว่าฟาดหรือกระทุ้งโครมเดียวต้องล้มทั้งยืน แบบเดียวกับหอกไม้ที่บุญคำเคยเอาของโศกปลกอาถรรพ์ทาไว้เมื่อสมัยที่เราประจันบานกับพวกมันคราวก่อนนั่นแหละวิเศษกว่าเสอีกเพราะเป็นของสูงเชื่อว่ามันก็คงรู้ถึงยังไม่กล้าเคลื่อนเข้ามาชิดตัวเราขนาดนี้เมื่อมันเงียบเสียงนิ่งไปคงเห็นแต่บริวารยืนนิ่งเป็นหินล้อมอยู่ในตำแหน่งเดิมตามจุดต่างๆรอบไปหมด เชษถาก็ร้องถามไปอีกว่าว่าไงมันไตรเจ้าย้มด้ตอบเราในคำถามข้อหลังไอพรานธนงกับคณะของมันนั่นนะหรือเป็นเสียงแหบห้าวเดิมย้อนถามมามีอะไรที่พวกสูจะต้องไปห่วงพะวงถึงมันด้วยหรือมันเซตเฮิดเมื่อตูเตือนให้พวกสูกลับก็จงกลับไปเสีย ถ้าเชื่อตูอันหมายความว่ามีการตกลงกันได้สูทั้งสามก็จงกลับไปยังที่พักแห่งเดิมตะวันขึ้นพวกสู่อีกสองคนก็จะกลับไปสมทบแล้วทั้งหมดก็จงเดินทางกลับลืมจิตตรางคนางลืมไอ้พรานธานงผู้นั้นพร้อมพวกของมันเสียปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามวิถีทางที่ตูกำหนด ชายยันอดรนทนอยู่ไม่ได้ตะโกนถามออกไปในลนักษณะตะหวาดว่าไอ้นรกเอ็งคิดว่าพวกข้าจะขี้คลาดตาขาวถึงขนาดนั้นใช่หรอคลาดเพื่อมีชีวิตรอดย่อมดีกว่ากล้าเพื่อเดินเข้าสู่ความหายนะไม่ใช่หรือมานไตรผู้มองไม่เห็นตัวย้อนมาอย่างเยียดหยันครันแล้วบัด น, นั้นเองโดยไม่บอกกล่าอะไรให้เทพธารอขยินรู้ตัวเลย เสียงไรเฟิลในมือของชายยันระเบิดตุ้มกระสุนขนาดจุด458นั้นเดิปกติมันก็ดังอยู่แล้วแต่บัดนี้มันดังเหมือนเสียงระเบิดมือปานว่าปืนที่ใช้ ย, ยิงจะแตกออกเป็นเสียงแต่มันก็ไม่แตกเปลวไฟแลบเป็นวาเหมือนลิ้นมังกรและแทนที่จะเป็นสีแดงหรือแสส้มตามธรรมชาติของดินรับกลับเป็นเปลวที่ลุกเขียวปราบ เจ้าอมมนุษย์ที่ยืนคุมเชิงอยู่ทางด้านที่ปืนลูกซองของขยินตกอยู่ตนหนึ่งงายหลังกระเด็นไปราวกับถูกช้างถีบแทนที่จะล้มลงเฉยๆเหมือนอย่างเคยและอีกตัวหนึ่งหลบแวบเข้าบางหลังต้นไม้ทันทีเร็วขยินวิ่งไปเก็บปืนของเองชายยันร้องบอกลัน่นพร้อมกับยกเท้าถีบหลังเจ้านักเลงโตหลมช้างขยินเร็วทันการดีเยี่ยม มันเผนตรงเข้าไปที่ปืนมันตกอยู่ทันทีส่วนชายยันก็ประทับปืนคอยคุมเชิงไว้ให้พร้อมทั้งไฟฉายไฟตามขณะที่อดีตนายบ้านลมช้างก้มลงตะครุบ ป, ปืนเจ้าอมนุษย์ที่หลบเข้าไปหลังโคลนไม้ใหญ่ก็โผล่วูบออกมาอีกชายยันเวียงลํากล้องเข้าใส่ลั่นไปอีกโครมหนึ่งปานฟ้าผ่ากลางนรกสภาพมันไม่ผิดอะไรกับสายอสุนีบาด หรืออาวุธของพระผู้เป็นเจ้าที่ฟาดลงมากระสุนที่พุ่งออกใบพร้อมปเปลวสีเขียวสว่างจ้าไปทั้งป่านนั้นกระทบเข้าที่ใดของร่างใหญ่โตนั้นไม่ทราบได้แต่แขนนั้นเต็มไปด้วยกระดูกใหญ่ของมันขาดกระเด็นไปในทันทีและซากนั้นก็หมุนคว้างกลิ้งลุนหลุนไปกับพื้นที่เอียงลาดขยินหยิบ ป, ปืนของตนเองขึ้นมาไดแล้วคราวนี้ไอ้นันก็บ้าเลกขึ้นมาเหมือนกัน มันยิงและกระชากสไลสด์ศาสตร์ออกไปรอบด้านเท่าที่จะมองเห็นซากอันยืนอยู่ตามจุดต่างๆ ต, ต้นไม้โค่นล้มมีสภาพอย่างใดเหล่าอสุรกายที่ปราศจากชีวิตวิญญาณนอกจากถูกบังคับด้วยเวทมนต์เหมือนคลื่นวิทยุก็ล้มลงในลักษณะ น, น, นั้นไปอีกสองตัวด้วยกระสุนลูกปลายซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยสาหรับซากประดุทุนยนเหล่านี้ ห้าไม่ใช่เพราะอิทธิอํานาจเบื้องสูงเชษฐาตะโกนร้องห้ามเพราะเห็นว่าไร้ประโยชน์แต่เ็าห้ามทั้งสองคนไม่ได้เสียแล้วทั้งขยินและชัยยานระดมยิงเข้าใส่กลุ่มซากมามีเหล่านั้นทุกนัดที่ระเบิดออกไปมันล้มลงทีละตัวทุกครั้งไปจนกระทั่งกระสุนหมดชุดในแมกกาซีนแรกที่บรรจุอยู่ทั้งสองรีบบรรจุชุดที่สองต่อไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พวกมันส่วนใหญ่ ที่พากันยืนนิ่งอยู่ลบวูบเข้าบางหลังต้นไม้หมดแล้วภาพของอสุรกายเหล่านั้นลับหายไปจากแนวไฟฉายที่ส่องกราดแต่พวกมันยังไม่ไปไหนคงหลบบางอยู่ ใ, ใกล้ๆดันเองเสียงหัวเราะของมันไตรกระหึมมาอีกคราวนี้กล้องไปทั้งป่าละแวกนั้นนอกจากความทรมนงแล้วพวกสูยังมีแต่ความบัดซบโฉดเา้า ไม่รู้หรอกหรือว่าพวกของตูที่สูพยายามจะฆ่าฟันมันหาหมดสิ้นไปได้รอข่าไม่ตายทำลายไม่หมดเพราะมันเป็นสิ่งหาชีวิตไม่มันไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เจ็บปวดมันทําทุกอย่างสุดแต่บนตราของตูจะบังคับให้กระทําต้นหนึ่งแหลกสลายไปอีกสิบคนจะโผล่ อ, ออกมาจากทุกซอกมุมป่าที่พวกสูจะผ่านไป สูสู้กับสิ่งไม่มีตัวตนมีแต่อิทธิฤทธิ์กำลังงานและพวกสูจะไม่มีวันเผลอบ้างหรือไฉนอาวุธมีริเด็กของพวกสูจะใช้ไปได้นานอีกเท่าใดเชษฐาเองก็ทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วเช่นกันเขาตะโกนบอกชัยยันและขยินว่าบุกเดินหน้าเห็นเมื่อไหร่ยิงถ้ายิงไม่ทนันฟาดมันด้วยปืนร้องกัน เขาก็ก้าวรวดพรวดนำหน้าออกไปในทันทีโดยไม่หยานอะไรแล้วต้องการให้มันรู้ดีรู้ชั่วออกไปเสียคืนนี้เลยแณะนั้นเองขยินก็โดดเข้ามาเนียวไหลไว้ร้องละล่ำละลักว่าหน้ายญ่ตามหลังขยินระวังมันจะล่อไปตกเหวหรือไปสู่จุดอันตรายอื่นๆมันล่อให้เราออกตามมันแล้วคำเตือนสตินั้นทาให้นึกขึ้นได้ตบไหลขยินบอกโดยเร็วว่า ลุยไปข้างหน้าสะกดตามรอยพรานชดกับลุงอินไปในทิศทางของเราเรื่อยๆระหว่างนี้ถ้ามันคอยดักสกัดกันก็ฉาบมันไปทีละตัวถ้าไม่เห็นไอตัวสําคัญที่มันแตรอาศัยสิงอยู่และถ้าระยะยังห่างอย่าเพิ่งยิงมันก่อนเพราะร้ยประโยชน์มันจะแห่ตามเราไปทุกระยะก็ให้มันตามมาขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่กล้าเข้าใกล้เราแน่ถ้ายินแยกเขี้ยว ถือปืนที่บรรจุกระสุนชุดใหม่พร้อมนำออกเดินนำหน้าไปในทันทีพร้อมกับสังเกตภูมิประเทศไปพลางอย่างไม่ไว้วางใจบัดนี้ทุกคนไม่กลัวการบุกเข้าจู่โจมของเหล่าไอพ้พีทีอีกแล้วแต่คอยระมัดระวังจุดดักล่อโดยอาศัยให้ธรรมชาติของป่าเป็นเครื่องสกัดกัน้นหรือส่งพิษภัยมาให้เท่านั้นช่วมืกีอึดใจเท่านั้นที่ทั้งสามตะลุยกันไปในทิศทาง เพื่อหมายติดตามบุคคลศาพศูนย์ทั้งสองตามก็ต้องชะ ง, งักลงกับที่มีเสียงไรเฟิลแผดสนั่นวันไหวดังมาจากป่าทึบเบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักพร้อมกับเสียงร้องตะโกนเอามันผมกับลุงอินกลับมาแล้วระวังจะยิงถูกกันเองด้วยถ้านสามจำได้อย่างแม่นยำคุ้นหูที่สุดนั่นเป็นเสียงของอนุชาวราริสมันไม่น่าจะห่างออกไปนัก เชษฐากับชัยยานอุทานออกมาอย่างยินดีพร้อมกันว่ากลางขยินขยับจะวิ่งเข้าไปหาตามทิศทางเสียงนั้นพร้อมทั้งกู่ต่อแต่เชษฐาปัดขาให้ขมาหน้าล้มหมอบลงกับพื้นตัวเขาเองก็ฉุดชัยยานให้หมอบลงด้วยหยุดหมอบก่อนอย่าเดินเข้าไปประเดี๋ยวถูกปืนของกลางกับลุงอินเข้าใช้ไฟฉายส่องเป็นสัญญาณไว้ นั่นเป็นไหวพริบที่ทานต่อเหตุการณ์ที่สุดของหัวหน้าคณะทั้งขยินและชา ย, ยันมอบทันทีต่างใช้ไฟกราดวูบว่าบไปมาพร้อมทั้งคอยกู่ให้เสียงไว้ขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงป่าแตกครืดด้วยการเคลื่อนไหวย่างรวดเร็วรอบด้านเหล่าอสุรกายมัมมี่ของมันตรายเริ่มเคลื่อนไหวละนีแล้วอย่างกระทันหันเพราะการย้อนตลบเข้าตีโดยทางด้านหลังของอนุชาและนานอิน ซึ่งยิงเป็นจังหวะเว้นช่วงห่างเป็นระยะระยะไปอันน่าจะหมายถึงว่าทั้งสองพบเป้าหมายถนัดเมื่อไหรก็สาสกระสุนเข้าใส่เมื่อนั้นและก็มีเสียงตะโกนเรียกให้สัญญาณใกล้เข้ามาตามลำดับระหว่างนี้หินก้อนโตๆรวมทั้งขอนไม้ชนิดที่ถ้าถูกร่างกายก็พิการหรืออาจถึงตายได้ถูกกระดมเวียงเข้ามารอบทิศดังอยู่โครมคราง ต, ตุบตับห่างตัวบ้างใกล้ตัวบ้าง ทำให้ทั้งสามต้องร้องลั่นและพยายามกลิ้งตัวเข้าหลบยังแหล่งที่คิดว่าน่าจะใช้กำบังได้ไอพีดีพวกนั้นทำอะไรเขาไม่ได้ในขณะ น, นี้มันก็เริ่มใช้วัตถุทางธรรมชาติโจมตีเท่าที่มันจะทำได้แต่ชั่วอึดใจเดียวของการระดมทุ่มใส่หรือคว้างป่าออกจากแนวป่าที่มันเร้นตัวหลบอยู่สภาพนั้นก็สั่งซาไปเพราะพวกมันพลรถหนีเร้นห่างออกไปหมดด้วยการตลบหลังย้อนกลับของอนุชาและนานอิน ซึ่งฝ่ายสามคนทางด้านนี้ยังไม่ทราบว่าทั้งสองโโรมาจากทางด้านไหนแต่รู้ว่าทั้งสองนั้นไม่ได้รับอันตรายอะไรแน่นอนจากการตะโกนให้เสียงและเสียงระเบิดสนั่นของปืนที่ยิงกราดัดเข้ามาบางนัดกระทบโขดหินแลบวืดหืออย่างน่ากลัวและบางนัดก็กระทบกิ่งไ ม, ม้ย่อมย่อมหักทับฟาดโครมครามใ น, ในความเงียบสงัดของราตรีฉ่ำน้ำ ทั้งป่าแตกลงแล้วด้วยอานุภาพของลูกปืนที่สะเทือนเลื่อนลั่นนัดแล้วนัดเล่าไม่ถึงห้านาทีเท่านั้นทั้งสามก็มองเห็นลำไฟฉายสาดตอบออกมาจากป่าทึบระดับต่ำลงไปเมื่อฉายไฟสวนก็มองเห็นร่างของคนทั้งสองพากันเดินไต่าทางขึ้นมาอย่างเร่งรีบอนุชาเดินนําหน้านันอินติดตามมาเบื้องหลังติดๆบนหลังของแกแบกถุงอะไรชนิดหนึ่งมาด้วยทั้งสามคน ฝ่ายนี้ก็ลุกขึ้นยืนทันทีพร้อมตะโกนเรียกอนุชาและนานอินตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วเห็นจากอาการบุคคลทั้งสองปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรทั้งสิน้นและสิ่งที่นานอินแบกมาบนหลังก็คือหีบเครื่องเวชพันของคณะทั้งหมดนั่นเองมันเพ่นหลบไปหมดแล้วครับเรากลับไปยังตำแหน่งที่ผมก่อไฟไว้ก่อนดีกว่าพี่ใหญ่ชา ย, ยันขยินทุกคนเรียบร้อยดีไม่ใช่หรือ อนุชาร้องถามโดยเร็วสภาพของอดีตพรานชนยงังแข็งแรงและคล่องแคล่วชับวายุเหมือนเดิมเช่นเดียวกับนานอินเรียบร้อยแต่ขยินเกือบคอหักไปแล้วดีแต่ช่วยกันไว้ได้ทันเชษฐาตอบ ก, การพูดจาสวนกันไปมาได้คําสอบซักถามดําเนินไปอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งสองฝ่ายถ้าเชื่อมือผมกับลงอินก็ไม่ควรจะเสี่ยงตามผมออกมาเลยมันดากรอพวกพี่ใหญ่อยู่แล้ว ความจริงไม่ต้องเป็นห่วงทางด้านผมเลยคอยระวังทางด้านพี่ใหญ่ไว้ก็แล้วกันเวลากลางคืนแบบนี้เสี่ยงอันตรายที่สุดในการที่จะออกมาเผชิญกับพวกมันและมันก็พยายามหลอกล่อให้ออกมาเป็นเหยื่อมันให้ได้อนุชาพูดเตือนพี่ชายและเพื่อนเขาดูอาการของอดีตพรานชดไม่สู้จะมีอะไรตื่นเต้นตกใจนะพิกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วโบกมือเ อ, อ่ยรีบร้อนต่อไปเราเดินกันไปแล้วคุยกันไปพลางก็ได้ มันเกิดอะไรขึ้นในสภาพไหนนี่เราได้ยินเสียงปืนทางด้านเธอและลุงอินแล้วเงียบหายไปเฉยๆเรียกวิทยุมาก็ไม่ได้ยินเสียงตอบเลยต้องเสียงตามลงมายิงมาพบหลักฐานตรงบริเวณที่เธอสองคนก่อไฟไว้หาตัวไม่พบมีแต่รอยยิงปืนแล้วก็รอยออกเดินเข้าดงลึกมีรอยของไอ้ผีร้ายเต็มป่าไปหมดเราก็ต้องตามต่อไปน้องชายหัวเราะหึห่ในลาคอยังไม่ตอบอะไร ในระหว่างที่พากันเดินอย่างเร่งรุดกลับไปยังที่พักชั่วคราวแต่นั้นอินบอกว่าเรากําลังกอบไฟพักกันอยู่ในายใหญ่ไอ้มันตรายกับพวกมันโผล่ออกมาล่อให้เห็นวับ ว, บวบแวมแวมอยู่ตามก้อนหินพรานชดยิงเค้กแก้ไปตัวหนึ่งแล้วตามยิงไอตัวที่มันตรัยเข้าสิงนั้นอินวิ่งตามไปอีกคนพวกมันที่รออยู่ก็โผล่ออกมาคว้าหีบยาของนายหญิงพาหนี มันรู้ว่าหีบยาเป็นของจำเป็นของพวกเราทั้งหมดเลยฉ่วยเอาไปเราก็เลยต้องออกกวดตามไล่ ย, ยิงมันไปเรื่อยๆกว่าจะไปตามทันก็นโน่นกลางดงว่านผีปอบในดงทึบโน่นมันทำอะไรผ่านชดกับนานอิดไม่ได้หรอกอย่างดีก็แค่หลอกล่อให้ตามเดิพาหีบยาหนีรานชดติดต่อส่งข่าวยังไม่ได้เพราะทาวิทยุตกไว้ตรงที่มันเข้ามาโจมตีครั้งแรกบริเวณที่พัก นันอินบอกลูกๆคร่าๆด้วยเสียงแสดงอาการเหน็ดเหนื่อยของแกนี่มันไม่ได้ทำอะไรทั้งสองคนหรือเรานึกว่ามันเล่นงานสองคนยแย่ไปแล้วอีกอย่างน้อยก็ถูกยึดตัวไปแล้วนันอินหัวรอดด้วยเสียงเย็นๆเอื่อยๆของแกมันจะทำอะไรนันอินกับพรานชดได้มีแต่คว้าหีบยาหนีถูกกดโป้งคว่ำโป้งคว่ำ ไม่เห็นมีตัวไหนถูกกระสุนแล้วจะกระดิกได้สักตัวเดียวตอนที่ได้ยินเสียงปืนของพวกนายใหญ่ทางนี้เราก็ถ่ายแล้วไม่ผิดว่าคงตามมาและประทะ ก, กับพวกมันที่ย้อนตลบหลังมาดักพอตามเอาหีบยาคืนมาได้ก็รีบย้อนสวนกลับมนันดีแหละพวกมันกําลังล้อมเจ้านายอยู่ไม่ใช่หรือใช่เรากําลังถูกล้อม โชคดีมากที่คุณพระช่วยเราถ้าไม่ได้ปืนกับลูกปืนลงพุทธคุณไว้ก่อนเมื่อตอนหัวข้ามที่แล้วเราคงถูกมันฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วแต่ถึงงั้นขยินก็ยังเกือบแ yeah ย่ทั้งคณะรวมแล้วเป็นห้าคนเดินซักถามพูดจา ก, กันไปพลางบ่ายหน้ากลับจุดหมายเดิมขณะนี้ไม่มีสัญญาณอันตรายใดๆเหลืออยู่อีกแล้วมันตรายและบริวารของมันอันตรธานไปหมดแล้ว หรือถ้าหาจะยังหลบดูลาดเราอยู่ก็หากล้าที่จะโผล่วิแววออกมาให้เห็นไหมเอาไว้ถึงที่พักครึ่งทางตำแหน่งที่ผมกับลุงอินก่อไฟไว้ก่อนเถอะครับแล้วจะเล่าให้ฟังโดยละเอียดว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างไรแต่ไม่ต้องห่วงผมกับลุงอินไม่เห็นเป็นอะไรเลยถ้าหากมันบอกว่ามันยึดผมกับลุงอินไว้แล้วก็เห็นเล่อุบายโกหกของมันที่จะทาให้ฝ่ายของพี่ใหญ่ขวัญเสียตกเป็นเบี้ยล่าง จุดประสงค์ของมันก็คือต้องการเข้ามาแย่งเอาหีบเวชภัณฑ์ของเราไปและสร้างความปั่นป่วนภาวะพวาทางด้านพี่ใหญ่แต่นี่ผมก็จวกจนได้คืนมาแล้วอนุชาตัดบทแต่ชา ย, ยันเอ่ยต่อไปว่าเราเป็นห่วงแกสองคนแทบแย่ตอนที่ลงมาพบบริเวณที่พักว่างเปล่ามีร่องรอยของการต่อสู้ชลมุนขนาดวิทยุก็ยังทำตกอยู่ คุณชายกลางอดีตนักผจญภัยชั้นเยี่ยมยอดตบหลาชายันโดยตรงขอบใจที่อุตส่าห์ลงมาตามแต่ฝ่ายลงมาตามนั่นแหละอันตรายกว่าฝ่ายฉันเสอีกไอพวกเปรตนรกไม่รู้จักผุดจากเกิดพวกนี้มันร้ายกาจจริงๆแต่ฉันกับลุงอินก็พอแก้ลำํำมันตกเป็นเปราะๆไปทุกคนอุดใจได้เรื่องหนึ่งก็คือปืนและลูกปืนที่ปราบพมน้ามนของเราได้ผลเต็มที่ โคลไหนโคลงนั้นไม่มีวันจะลุกขึ้นมาได้อีกเลยแม้เพียงแค่เฉียดนี่พิสูจน์แล้วว่ามันเอากับเราทุกรูปแบบเท่าที่มันจะทําได้ทีเดียวถ้าทุกคนอดใจรออีกนิดไม่จําเป็นต้องลงมาตามให้เสี่ยงโดยใช่ที่แบบนี้พอฉันกับลุงอินตามหีบยายกลับมาได้และกลับไปถึงที่พักก็จะวิทยุส่งข่าวบอกขึ้นไปแต่นี่ลงมาตามก็เลยถูกมันเล่นตลบหลังเข้าให้อีกชุดหนึ่งเกือบเสียท่าไปแล้วไม่ล่ะ อะไรก็ไม่สำคัญที่ว่ามันจะล่อให้ไปตกเขวล่อเข้าไปในดงไม้อันตรายหรือล่อไปฝังเสียทั้งเป็นโชคดีเท่าไหร่บ้างแล้วที่มันไม่ได้เอากองทับช้างป่าเข้ามาเล่นงานกับเราตอนนี้เพราะน้ำเขื่อนแตกไหลบาทลงมาเป็นอุปสรรคอยู่ไม่งั้นพี่ใหญ่ชายยันและขยินย่อยยับไปแล้วอย่างน้อยพี่ใหญ่ก็ยังไหวดีอยู่บ้างที่เอาขยินเป็นผู้นาทางลงมาด้วยในเวลากลางคืนแบบนี้ ถ้าไม่ใช่คนชำนาญป่าจริงๆแล้วขืนออกจากที่พักมาก็มีแต่ทางตายอย่างเดียวเท่านั้นประโยคหลังอนุชาดูเหมือนจะบ่นตำหนิฝ่ายที่ออกมาตามมีข่าวหรือระแคะระคายอะไรเรื่องน้อยบ้างไหมขณะที่ก้าวข้ามลำธารเข้ามาสู่หมู่โขดหินใกล้จะถึงที่พักพี่ชายใหญ่เ อ, อ่ยขึ้นแผวตาอนุชาผู้เดินจ้ำพรวดรวดอยู่เบื้องหน้ามีสีหน้าสลด เยียมเกรียมอยู่ในเงามืดไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วเสียงตอบที่พยายามให้เป็นปกติก็ดังมาว่ายังครับเห็นจะต้องรอให้ตะวันขึ้นเซยก่อนแล้วค่อยคิดกันอีกทีเรารู้แน่ๆกันเฉพาะแต่เพียงว่าพวกเราที่เหลืออยู่15้าคนมันยังทำอะไรไม่ได้ทั้งๆที่พยายามจะเล่นงานเราทุกวิธีทางตอนนี้เราตามหีเป่ย์ันของเรากลับคืนมาได้ก็ควรพอจในขั้นแรกก่อนแล้ว ชีบหายเล่นจ้องเอาปัจจัยสำคัญในการเดินทางของเราเสียด้วยประโยคหลังอนุชาสะบดอุปอิบในลำคอเทชทฐาชัยยันเงียบกริบพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะดารินวราริทยังเป็นปริศนาอันดำมือดอยู่ตามเดิมดูเหมือนจะดำสนิทยิ่งกว่าราตรีกลางไรนรกนี่เสีอีก ชั่วไม่นานบุคคลทั้ง5ก็ย้อนกลับมาถึงตำแหน่งที่อนุชาและนานอินก่อไฟไว้เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวสิ่งแรกที่ทั้งหมดกลับมาถึงก็คือเร่งเพิ่มกองไฟที่กำลังจะมอดดับให้ลุกสว่างขึ้นอีกและเชิดถาใช้วิทยุส่งข่าวให้ในชวนผู้เชื่อว่ากำลังรอฟังข่าวอยู่และคงจะได้ยินเสียงปืนที่ยิงสนานไปทั้งโดงหลายนัดเพื่อให้คลายกังวลว่าเหตุการณ์ทางเบื้องล่างอยู่ในสภาพปกติลงแล้ว ให้ทุกคนยึดที่มั่นและระวังตัวอยู่ที่เดิมก่อนสำหรับตนช้ยยันและขยินจะสมทบกับฝ่ายของอนุชาและนานอินก่อนซึ่งหัวหน้าลูกหากว่าเข้าใจในคำสั่งเขาเป็นอย่างดีรับปากที่จะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดอนุชาเข้าไปตรวจดูที่ซาก ข, ของไอ้ผีดิบที่เขาเป็นคนยิงคว่ำคาซอกขีดอีกครั้งซอกของมันยังอยู่ที่เดิมแสดงว่ามนตร า, าคมของมันไตร ไม่สามารถจะส่งเข้ามาบงการอย่างซากนี้ให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติการอย่างใดได้อีกทั้งสิน้นไอ้เปรสตนนี้แหละที่โผล่เข้ามาใกล้ชิดผมที่สุดมันพุ่กเข้ามาทางด้านหลังผมระหว่างที่จ้องระวังซากที่มันไตรเข้าสิงซึ่งลับๆล่อๆอยู่ในซอกหินตรงโน้นตอนนั้นลุงอินย่องไปอีกทางพผมพอผมไหวตัวก่อนที่มันจะคว้าก้านคอได้หันขวับมาไราเฟิลแย่อกมันพอดี กดตู้มออกไปอีกหลายตัวก็ล่อหน้าเหมือนจะหลอกให้ยิงสลอนตามโขดหินตอนนั้นเองที่ไอตัวหนึ่งเพนวูบเข้ามาคว้าหีบเวชภัณฑ์ของเราลากหายเข้าป่าไปผมร้องบอกลุงอินแล้วเราก็ออกกวดติดตามมันไปตั้งแต่ตอนนั้นมันล่อเข้าไปโน่นเกือบดงว่านผีปอบด้วยการส่งหีบยาต่อกันไปเป็นช่องๆบังเอิญเราตามไปติดๆจึงสกัดไว้ทันโดยยิงไอตัวสุดท้ายที่แบกหีบยาหนีคว่าไปอีกตัว แล้วก็ยิงสกัดตัวอืนอ่นๆไม่ให้เข้าใกล้หีบยาอีกจากนั้นก็ช่วยกันแบ่งหีบยากลับมาพ่อหันหลังกลับเท่านั้นทางพี่ใหญ่กับชายยันและขยินก็ยิงกันหูดาบตับไม่ผมก็เลยรู้ว่าคงจะตามลงมาและถูกมันล้อมเล่นงานเข้าให้แล้วแต่ก็ยังอุ่นใจที่เชื่อมันได้แน่นอนว่ากระสุนของเราแต่ละนัดถ้ากระทบซาก ข, ของพวกมันตัวไหนตัวนั้นจะหมดฤทธิ์ทันที สำคัญว่าถ้าตะลุมบอลจะยิงได้ทันหรือไม่เท่านั้นเพราะถ้าปล่อยให้มันคว้าตัวได้กระดูกกระเดี่ยวหักแน่อดีตพรานชนพูดอย่างแค้นแนใช้เท้าพยายามจะขี่ให้ซากนั้นหงายพลิกขึ้นแต่มันไร้ประโยชน์เพราะสภาพของซากไม่ผิดอะไรกับเง้าไม้แกร่งอันมีน้ำหนักมากเชษฐาดึงหลายน้องให้เข้ามานั่งร่วมกลุ่มผิงกองไฟซึ่งบัดนี้ลุกสว่างโชน ทั้งหมดประชุมกันอยู่ข้างกองไฟนั่นเรากะากันไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้ายิงจนกระสุนหมดถึงขั้นตะลุมบอลเมื่อไหร่และบรรจุกระสุนไม่ทันเราก็จะใช้กระบอกปืนนี่แหละแทนไม้พลองฟาดกับมันพี่เชื่อ ว, ว่าไม่เพียงแต่กระสุนเท่านั้นแม้ตัวปืนของเราเองที่ผ่านการเข้าพิธีปลุกเสกแล้วก็คงจะแทนอาวุธสั้นล่อ ก, กับมันได้โดยมันเข้าไปถึงตัวหรอกแต่ในความมืดของดงทึบ ถึงอย่างไรเราก็เสียเปรียบมันวันยังข้ามอย่างที่เธอบอกเชษฐาเปิดเผยความรู้สึกของเขาซึ่งเริ่มจะคลายความตื่นเต้นลงแล้วทุกคนนั่งดับอารมณ์ด้วยการพิงไฟและสูบบุหรี่โดยเฉพาะชายยันและขยินแบ่งบรันดีในกระติกของชายยันเองดื่มกันคนละหลายอึกอดีตนายทหารปืนใหญ่สะบัดหัวอยู่เร่าๆเหมือนแทบจะไม่เชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตนเองได้ประชิญมากับตัวเมื่อหยกหยก เขาไม่แกร่งเท่าอนุชาและไม่มีสติที่สุขุมเยือกเย็นเท่าเชษฐามีแต่ความมุทะลุและบ้านเลือดเท่านั้นหาดงนี่มันเอาอกับเราทุกท่าเลยนะในที่สุดชายยันก็อดที่จะสบทสบานออกมาไม่ได้นี่เราก็สรุปผลได้แล้วสิว่าที่มันเข้ามาล่อหน้าล่อหลังเธอกับนานอินจุดประสงค์สำคัญก็คือจะลักพาหีบเครื่องเวชภัณฑ์ของเราไปนั่นเอง ัวน้าคณะพยายามหาเหตุผลในเหตุการณ์เฉพาะหน้าใช่นายใหญ่นานอินเป็นคนตอบด้วยการที่ยากจะอ่านความรู้สึกของแกมันไม่ได้คิดที่จะเล่นงานนานอินกับนายชดโดยตรงหรอกแต่มันจะเอาหีบยาของเราไปและมันก็รู้ว่ามันได้เปรียบกว่าถ้าเราตามเพราะการตามในเวลาแบบนี้มันมีทางจะฆ่าเราได้หลายวิธีถ้าไม่เท่าทันมันแต่ไม่ต้องห่วงถ้านายชดอยู่คู่กับนานอินเมื่อไหร่ ไม่มีเลขโกลอะไรของไอ้ผิดิบมันไตราจะทําอันตรายเราสองคนได้และอีกอย่างหนึ่งมันก็คงรู้ว่าพอทางข้างล่างยิงพวกข้างบนก็จะต้องทนอยู่ไม่ได้จะต้องลงมาตามมันจะได้ดักเล่นงานไปพร้อมๆกันบังเอิญนายใหญ่านายทหารและไอ้ขยินก็ไม่โง่ไปกว่ามันดีแล้วที่ลงมาตามกันแค่สามคนถ้าขืนยกขโยงกันลงมาหมด ไม่มีคนใดก็คนหนึ่งคงจะเสียท่ามันเข้าบ้างแน่ๆเชธาฝืนยิ้มจากสีหน้าอันเครียดสลดของเขาตบไหล่น้องชายและครูพรานผู้เท่าคนละข้างกล่าวชมออกมาจากใจจริงว่าเก่งมากทั้งสองคนที่ตามเอาหีบยาของเรากลับคืนมาได้และไม่เพลียงพรมอะไรกับมันทั้งสิน้นพินึกว่ามันขยี้เธอทั้งสองคนเละไปแล้วนับตั้งแต่ได้ยินเสียงปืนครั้งแรกแล้วก็เงียบหายไปเลย อย่างนึกเดาเหตุการณ์ไม่ถูกจนทนฟังข่าวอยู่ต่อไปไม่ไหวต้องออกเสียงตามมาแบบนี้เล่กลมารยาของมันมากเหลือเกินอนุชากดดรติรมฝีปากแน่นเอานิ้วเกาหั ว, หวคิ้วแล้วเอ่ยออกมาเสียงแตกพร่าว่าพี่ใหญ่ชายยานและขยินรู้จักริดเด็กของไอ้มันตรายดีอยู่แล้วและรู้จักมาก่อนผมส่วนผมกับลุงอินไม่เคยพบผจนกับมันมาก่อนเลย เพิ่งจะมาพบเห็นจ่าจากับสายตาในการเดินทางมาครั้งนี้แหละแต่อาศัยว่าเคยชินกับความอาถรรพ์ลี้ลับของป่าหลงสํารวจแหล่งนี้มาก่อนก็เลยพอที่จะเอาตัวรอดได้และเท่าที่พบมาแล้วมันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวมากแต่ผมและลุงอินไม่ยันต่อมันเลยจะอย่างไรก็ตามต่อไปนี้ขอให้พี่ใหญ่เป็นฝ่ายให้ความเห็นและชี้ขาดลงมาเถอะครับว่าเราควรจะดําเนินการกับมันอย่างไร ในฐานะที่เคยผจญกับมันมาก่อนแล้วมันเป็นตัวอุปสรรคสาคัญในการเดินทางของเราและถ้าเข้าใจไม่ผิดเขาเว้นระยะไปนิดยกบุหรี่ที่คีบอยู่ในนิ้วอัดจนแดงวาบผมว่ามันใช้วิธีเล่นงานฝ่ายเราและระพินคัวคู่กันไปนั่นแหละสุดแต่จะได้โอกาสเหมาะทางฝ่ายไหนและระหว่างเรากับระพินผมว่ามันจ้องที่จะเล่นงานเราทีหนักกว่า เพราะมันต้องรู้ว่าทางด้านระพินนั้นแข็งกว่าเรามากในทุกด้านเธอแน่ใจเช่นนั้นหรือเชษฐาถามอย่างตรึกตรองอนุชาพยักหน้าไปทางนันอินอันเป็นคนคู่ชีพของเขามาแต่ไหนแต่ไรลองฟังความเห็นลุงอินดูสิครับนันอินมีความคิดอย่างเดียวกับนายชดครูพรานพูดเสียงลึกในลำคอดวงตาสีเทาเพราะความชราของแก แลฝ่ฝากความมืดของราวป่าเบื้องหน้าออกไปอย่างปราศจากจุดหมายแน่นอนเพราะโดยแท้จริงแล้วแม้นานอินจะอยู่ในป่ามาตลอดชีวิตมีครูมีอาจารย์ดีสักแค่ไหนนานอินก็รู้ตัวเองว่ายังเทียบกับนายระพินไม่ได้ทุกอย่างนายระพินฉลาดกว่านานอินครูก็แรงกว่าวิชาของคนเจริญแล้วก็พร้อมไสยศาสตร์มนตราอาคมสารพัดวิชาของ่นมืด แกก็พร้อมสับแทบจะไม่มีช่องว่างให้ความอาถรรพ์ของป่าใหญ่ไพรกันดานทำอะไรแกได้เลยถ้าแกยังมีสติพร้อมอยู่พูดกันตรงๆก็คือนายราพินเก่งกว่านานอินมากนะักทั้งๆที่ยังหนุ่มแน่นกว่าคราวลูกหลานนานอินนั้นไปถึงเทือกครัสิวะและมรกตนครของไอ้แง่ทายได้แต่กลับออกมาไม่ได้แต่นายราพินไปถึงได้ ซยังเอาหนานอินกับนายชดกลับรอดกลับมาได้ดูแค่นี้ก็รู้มันไตรมันจะขยาดนารพินมากกว่าทางฝ่ายเราแน่แน่เพราะฉะนั้นนายใหญ่อย่าห่วงทางฝ่ายนารพินเลยขอให้คิดถึงพวกเรากันเองก่อนเถอะหนานอินไม่แน่ใจว่าจะรับมือมันไหวตลอดรอดฝั่งไปหรือเปล่าท่านหัวหน้าคณะครางพยักหน้าช้าๆก็อาจจะจริงนะ แต่ลุงอินก็ขึ้นชื่อว่าครูพรานคนหนึ่งเหมือนกันลุงกลัวมันเหรอนั้นอินไม่กลัวสำหรับตัวเองแต่กลัวว่าจะระวังพวกเจ้านายหรือพวกลูกหาบได้ไม่ทั่วถึงทุกคนต้องระวังตัวเองและต้องช่วยกันระวังกันและกันด้วยอรหันเจ้ายืนอยู่เหนือหัวพวกเราทุกคนกลัวอะไรมันและตั้งแต่เราออกเดินทางมานี่เราก็ถูกมันเล่นงานอยู่หลายครั้งนักๆทั้งนั้น แต่พวกเราทุกคนก็ยังอยู่กันครบส่วนทางด้านพรานใหญ่ระพินนั้นคนของเขาเราก็รู้แล้วว่าตายไปแล้วสองคนแต่ฝ่ายเราสูญหายไปคนหนึ่งคนสำคัญเสด้วยฉันจะกลุ่มตายอยู่แล้วชายยันผู้กอดข่าวสงบนิ่งซึมอยู่เป็นเวลานา น, านระเบิดโพิ่งขึ้นทำเอาทุกคนงานไปอีกวาระหนึ่งและในที่สุดเชษฐาก็พูดปลอบโยนทุกคน ทั้งๆ ท, ที่จิตใจของเขาก็สั่นไหวเต็มที่ว่านั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามแก้ไขต่อไปแต่ฉันมีความแน่ใจอยู่อย่างหนึ่งแน่ใจอะไรเพื่อนของเขาถามสวนซีหน้าทุกข์กังวลจัดแน่ใจว่าตราบใดก็ต่ามที่สมเด็จพุทธาจารย์โตและสมเด็จหลวงพ่อวัดปากน้ำยังไม่หลุดไปจากคอของน้อยไม่มีอะไรมาทาอันตรายน้อยได้หรอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์และมหิห ท, ที่อํานาจลึกลับจากเบื้องสูงมักจะคอยพิทาคุ้มครองน้อยอยู่เสมอสังเกตจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านกันมาแล้วแต่ตอนนี้เขาตกอยู่ในสภาพเคราะหร้ายถ้าว่าก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรมากนะักนันอินขยับปากเหมือนจะเอ่ยอะไรขึ้นตามความคิดวิโตของแก่แต่แล้วก็นิ่งสงบเสียแกย่อมเข้าใจดีว่าน้าใหญ่และทุกคนในขณะนี้กําลังต้องการ ปลุกปลอกขวัญและคิดหวังในสิ่งอันดีงามมากกว่าที่จะพูดหรือแสดงความเห็นใดๆไปในด้านร้ายคืนนี้ตั้งแต่ตอนเย็นมาแล้วพวกมันโจมตีเราหนะักติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนเย็นมาจนกระทั่งใกล้รุ่งนี้ชายยันเอ่ยขึ้นแทบจะลำดับเหตุการณ์ไม่ถูกทีเดียวว่ามันเริ่มจากอะไรอย่างไรก่อนโดยติดต่อกันมาเป็นลำดับเป็นช่วงๆจังหวะจังหวะไปทีเดียว ทังด้านจิตวิทยาทั้งด้านเล่กลอิทริสและทางด้านกำลังทางฝ่ายเราตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบและเสียหายยับเยินเราไม่ต้องไปคํานึงถึงด้านไอซากหมื่นปีที่ถูกปืนล้มเป็นท่อนไม้เหล่านี้หรอกในด้านยุทธศาสตร์แล้วไม่ถือว่าเป็นความสูญเสียของฝ่ายมันเลยเพราะมันเปรียบเหมือนหุ่นยนต์ที่มันพูดไว้ก็ถูกแล้วว่าเราจะมีแรงทําลายหุ่นยนต์พวกนี้ของมันไปได้สักเท่าไหร่ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้จักเจ็บปวดพลาดท่าถูกปืนก็ทิ้งซากไวเหมือนทิ้งเศษหินแล้วมันก็ไปขนเอาออกมาอีกจํานวนไม่จํากัดครั้งแล้วครั้งเล่ารบกับเราโดยไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเราจะเข้าถึงแหล่งที่เก็บซากของพวกมันและหาวิธีกําจัดทําลายล้างฤทธิ์ของมันลงให้ได้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจึงจะทําอย่างนั้นได้แต่ที่แน่ๆก็คือ ก่อนหน้าเวลานั้นเราจะตกเป็นฝ่ายถูกมันเล่นงานอยู่เรื่อยๆชนิดที่ยากในการจะรับมือขอให้สังเกตตอนที่กลางเล่าให้ฟังรวมทั้งที่ฝ่ายเรารเผชิญมาเองทั้งๆ ท, ที่มันรู้ว่าลูกปืนของเราลงอำนาจพุทธคุณมันก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรนะักกล้าที่จะเข้ามาเผชิญหน้าหลอกล่อให้เรายิงเมื่อยิงถูกมันก็ทิ้งซากนั้นใช้ซากอื่นล่อให้ยิงต่อไป ยำอย่างจ้องที่จะยึดเอาปัจจัยสำคัญในการเดินทางของเราไปซะอีกก็เหมือนกับว่ามันไม่กลัวเราเลยและถ้าหลอกล่อซุ่มดักโจมตีอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่นานลูกปืนเราก็หมดเองเป็นไปได้ไหมในกรณีที่มันรู้ว่าเจตนาของพวกเราจะมุ่งเข้าหานิทรานครอันเป็นแหล่งสุ่สารเก็บซากไร่พนของพวกมันเหล่านี้ รวมทั้งความลี้ลับทั้งมวลของมันที่เราอาจทําลายลงเสียได้ถึงได้มุ่งโจมตีหนักจะเอาเราให้พินาศไปเสก่อนอนุชาถามไปทางพี่ชายและชัยยันในฐานะที่เคยมีประสบการณ์ผ่านพบต้นแหล่งที่มาของความพิสดารเหล่านี้มาก่อนก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันเพราะอย่างน้อยถ้าเราค้นพบซากเบืองร้างของมันได้อีกครั้งเมื่อไหร่เราก็จะอยู่ในฐานะได้เปรียบไม่มากก็น้อย แต่อื่นใดทั้งหลายในขณะนี้ก็ไม่มีปัญหาให้หนักใจมากไปการสูญหายไปของน้อยถ้าเราได้น้อยกลับคืนมาเมื่ อ, อไหร่ก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องหวาดหวั่นพลันพึงมันเลยและเราจะทำงานรุดหน้าต่อไปได้อย่างปลอดโปร่งใจมากขึ้นสิ่งแรกที่เราจะทำต่อไปก็คือตามน้อยให้พบก่อนอนุชาพูดสั้นๆง่ายๆตามแบบฉบับของเขาและหนานอินก็บอกมาเอื่อยๆว่า เสียดายที่นานอินกับพรานชดไม่ได้ไปพบเมืองผีดิบของมันไตรพร้อมๆกับพวกนายใหญ่ในครั้งนั้นด้วยก็เลยมืดสิบด้านไม่รู้เส้นทางว่าจะมุ่งไปทางด้านไหนถ้านานอินกับนายชดเคยผ่านมาก่อนบ้างแล้วมันก็ง่ายเข้าครูพรานมองไปทางขยินใช้ปลายขาสกิดถามว่าขยินนอกจากนายใหญ่นายทหารแล้วก็มีเองอยู่อีกคนที่เคยผ่านเมืองร้างมาแล้ว คนอย่างเองก็หนึ่งในอาณาจักรใครเหมือนกันถ้าเองพาไปไม่ถูกหาทางเข้าไม่ได้เองก็จะเกิดมาเป็นขยิตเลยวะนายบ้านหลมช้างแยกเขี้ยวตาของมันลุกวาวข้าจะพยายามลุงอินข้าจะพยายามนำเจ้านายเข้าถึงไอ้ซากเมืองร้างนั่นให้ได้ส่วนจะช้าหรือเร็วเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวลุงเองเป็นไอ้แงซายหรือเป็นพรานใหญ่ระพินมันจะง่ายและเร็วขึ้น เอาว่าเราสามคนที่ผ่านกันมาแล้วมาช่วยกันพยายามหาลู่ทางกันแล้วกันพระพินนั้นเราเชื่อแน่ว่าเขามุ่งเข้าหานิทรานครอยู่แล้วป ะ, ปะหมกโชคดีถ้าฝ่ายเราก็เข้าถึงพร้อมกับเขาก็ไล่เรียกันกับเขาเราก็จะมีโอกาสตามทันเขาที่นิทรานครนั่นแหละสําหรับฉันเชื่อว่าถ้าเข้าใกล้บริเวณเมื่อไร่ก็พอจลาลักษณะภูมิประเทศได้ถึงชายันก็เหมือนกัน เชษฐาทำไมแกถึงไม่เล่าความจริงให้กลางกับลุงอิงฟังให้ตลอดว่ามันไรพูดอะไรกับเราระหว่างที่มันล้อมเราไว้และก่อนที่เราจะยิงขึ้นเป็นการใหญ่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือครับพี่ใหญ่ได้ยินดังนั้นอนุชาก็หันขวามไปทางพี่ชายพร้อมถามเร็วเชษฐามองสบตาชายยันอาการชนิดนั้นทําให้อนุชา ย, ยิ่งโงนเร่งสอบถามซักไซ้์มาอีก ท่านหัวหน้าคณะไม่อาจที่จะปิดบางอาัมพราใดๆได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้โต้ตอบเจรจากับมันไตรอันพาดพิงมาถึงดารินวราริศและจุดประสงค์ของมันตลอดจนข้อต่อรองเขาเล่าให้อนุชาฟังอย่างละเอียดที่สุดในข้อความเจรจานั้นอดีตพรานชดฟังด้วยอาการตื่นพิษวงงและเป่าลมพู่ออกจากปากก็มีอะไรแปลกพิสดารเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้ว นอกเหนือจากความเป็นมาของนิทรานครและนางพยาพันธุมวดีที่ผมเคยได้รับฟังจากพวกพี่ใหญ่มาก่อนแล้วมันไม่ให้คําอธิบายที่แน่ชัดกับพี่ใหญ่ในระหว่างการโต้อตอบเลยครับเกี่ยวกับความเป็นมาของจิตรางคนางก็พยายามถามมันอยู่เหมือนกันแต่มันก็บอกเพียงแค่พี่เล่าให้ฟังแล้วไม่มีรายละเอียดอะไรมากไปกว่านั้นก็สรุปได้ว่า 1. จะยึดตัวน้อยไว้ในฐานะเจ้าหญิงจิตรรางคนางที่มันอ้างว่าเป็นพี่สาวของพันธุ์ธุมบดีและเคยมีเรื่องเกี่ยวพันโยงใยญ่กับมันมาก่อนในยุคนั้น 2. ถ้าฝ่ายพี่ใหญ่ยินยอมมันก็จะยอมปล่อยตัวผมกับนานอินและเปิดทางให้พี่ใหญ่กลับ 3. บังคับให้กลับออกไปสู่โลกภายนอกเลยโดยไม่ให้ติดตามระพินหรือน้อยอีกถูกต้องมันบอกอย่างนั้น คิดไหมครับว่าเป็นเ ล, กล่กนโกโหกหลอกลวงของมันที่ปั้นแต่งเรื่องขึ้นพี่ยังคิดอะไรไม่ถูกตอนนี้แล้วมันก็ยังอ้างอีกว่าแม้ตัวน้อยเองก็รู้ดีในอดีตชาติของตนมันว่ายอย่างนั้นชายยันเป็นผู้ตอบแทนอนุชาหัวเราะฮึๆความลี้ลับทั้งมวลพวกพี่ใหญ่ประชิญมาก่อนรวมทั้งตัวน้อยเองด้วย ผมเป็นฝ่ายมารับฟังการบอกเล่าภายหลังและได้มาพบเข้าในคราวนี้เพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินหรือวินิจฉัยอะไรไม่ได้เท่าพี่ใหญ่และชายันแต่ที่แน่ๆก็คือมันโกหกในเรื่องผมกับนานอินเราสองคนตามล่ามันไปติดๆและไม่ได้เสียที่อะไรมันเลยตามไปเพื่อจะเอาหีบเวชภัณฑ์คืนและก็าขึคืนมาจนได้แต่มันกลับอ้างเป็นข้อเสนอกับพี่ใหญ่ว่ามันจะปล่อยตัวผมกับนานอินกลับคืนมาให้ ข้อนี้พี่ใหญ่พิจรารณาเองว่ามันหลอกนิยให่อย่างไรบ้างทางฝ่ายผมกับนานอินขนาดนั้นเป็นฝ่ายตามล่ามันอยู่แล้วก็ไม่ได้เพลี่ยงพล้ำตกเป็นเฉลยของมันเลยแต่มันกลับลวงว่าผมสองคนตกอยู่ในกำ ม, มือมันแล้วสุดแต่ว่ามันจะปล่อยคืนมาให้เมื่อไหร่ไอ้นีอุบายร้ายนะักแต่มันก็ไม่ฉลาดไปกว่าพวกเราสักแค่ไหนหรออนุชาเว้นระยะ โยนท่อนฟืนเข้าไปในกองเพิ่มเติมดวงตาจับนิ่งอยู่ที่กองไฟที่ลุกโชนสว่างสวัยไปทั่วบริเวณเสียงต่อไปเป็นเสียงพึมพำเหมือนรำพึงจิตตรางคนางนามนี้เป็นนามที่พวกเราทุกคนแววเสียงเรียกมาอย่างลึกลับก่อนที่จะหลับกันไปเมื่อหัขค่ำนี้และก่อนที่น้ำตกเบื้องบนจะแหกทำนบไหลกระนำลงมาน้อยเองจะได้ยินหรือเปล่า เราไม่รู้ได้แต่ดูท่าเขาตอนนั้นไม่ได้แสดงความสนใจอะไรเลยตรงข้ามกลับบอกให้พวกเราที่ลุกขึ้นมาจับฟังเสียงให้นอนเสียน้อยอาจรู้อะไรดีกว่าเราก็เป็นได้มุ่งเทือกเขาพราศิวะพร้อมลุงอินตามลำพังสองคนคราวก่อนโน้นผมยังไม่มีเรื่องหนักขมองถึงขนาดนี้มาก่อนแล้วพี่ใหญ่กับชา ย, ยานคิดยังไงละ่ะในคาพูดแปลกประหลาดของมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ช้ยยันเบ้ปากยักไหล่ไม่พูดอะไรแต่เชษฐาตอบอย่างคนใช้ความคิดว่าก็บอกแล้วว่าตอนนี้ยังคิดอะไรหรือเดาอะไรไม่ถูกทั้งสิน้นคาพูดของมันไตราอาจเป็นความลับดำมือตลอดไปชนิดหาข้อเฉลยไม่ได้หรือมันอาจเปิดเผยตัวเองออกมาภายหลังถ้าเราไม่ตายกันเสีก่อนก็คงได้รู้เองแต่ปัญหาหนักของเราในขณะนี้ก็คือน้อยได้หายไปจริง ก็เห็นกันอยู่แล้วนี่ครับว่าน้อยพลาดเลยถูกน้ําพัดลงไปเข้าไปกับกระแสน้ําเชี่ยวแรงไม่ได้ไปเพราะมันไตรมันจับเอาไปแล้วกระแสน้ําที่โกรกแรงขนาดนั้นต่อให้ไอ้มันตรายหรือไพร่พลของมันก็ตามถ้าไปขวางเส้นทางอยู่ก็จะต้องถูกพัดปลิวไปเช่นนั้นช้างทั้งโขลงก็ทานไม่ได้แกจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะกลางชายยันแย้งขึ้น มันยังไม่มีวิธีการใดที่จะแยกน้อยให้ออกไปจากพวกเราได้มันก็เลยหาทางให้เกิดเป็นกระแสน้ำพัดลงมาจุดประสงค์แรกก็คือให้เกิดความปั่นป่วนที่หน้าของฝ่ายเราแต่พวกเราคนอื่นๆรอดพ้นได้มีแต่น้อยคนเดียวที่ถูกน้ำพัดหายไปซึ่งนั่นก็เข้ากับเจตนาของมันอย่างพอเหมาะพอเจาะคือสามารถแยกน้อยออกไปจากคณะได้แล้วและเราไม่สามารถทายอนาคตน้อยได้ถูกเลยว่า ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างและอยู่ที่ไหนเขาอาจได้รับอันตรายอาจไปพลัดหลงอยู่ที่ไหนคนเดียวแล้วก็อาจตกอยู่ในเงื้อมมือของมันล้วนเป็นไปได้ทั้งนั้นความนึกคิดดาวเหตุการณ์ไปต่างๆนาน า, นานเหล่านี้เป็นความทุกข์ของเราในขณะนี้ไม่ใช่หรือน้อยจะมีอดีตชาติเป็นจิตตรามขนางหรือไม่จะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเราไม่สนใจในตอนนี้เรารู้แต่เพียงเขาเป็นน้องสาวของเรา และเราจะต้องเอาตัวกลับคืนมาส่วนเจตจำนงของมันที่ประกาศชัดก็คือมันจะต้องเอาตัวนอดไปให้ได้โดยข้ออ้างอะไรของมันก็แล้วแต่เธอซึ่งเรายอมให้ไม่ได้และมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเราที่จะยอมเช่นนั้นและเราจะทำอะไรได้ในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้อนุชาย้อนอย่าเถียงอะไรกันดีกว่า พี่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้สมองและความชำนาญในด้านต่างๆของแต่ละคนที่ร่วมกันอยู่นี่เข้ามารวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทุกคนก็ทาได้อย่างดีที่สุดแล้วอีกไม่นานตะวันก็จะขึ้นแล้วค่อยหาลู่ทางกันใหม่ตอนนี้เราห้าคนพักกันอยู่ตรงนี้แหละส่วนพวกลูกหาไกวคุมข้าวของอยู่ในซอกถ้ำนั่นจะยังไงกันต่อไปค่อยว่ากันไม่ถึงเวลาเช้า ราจบเชิดถาก็ยกวิทยุขึ้นเรียกขึ้นไปยังหัวหน้าลูกภาในช้วนได้ยินหรือเปล่าครับผมเจ้านายทุกคนอยู่ข้างบนนั่นต่อไปก่อนทางนี้พวกเราห้าคนจะพักรอแสงตะวันขึ้นอยู่ตรงที่หนานอินและพรานชดพักจะยังไม่กลับขึ้นไปรอให้เช้าแล้วจะสั่งต่อไปว่าให้ทำยังไงบ้างและให้เปิดวิทยุเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเพื่อเรียกขึ้นไปอีกเมื่อไรจะได้ได้ยิน รับผมเสียงตอบรับลงมาเช่ดถาบอกเลิกแล้วเน็บวิทยุที่เข็มขัดเอนหลังพิงก้อนหินอันเย็นเฉียบหลับตาลงยังเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียในขณะที่ชายยันและอนุชาปรึกษาหาหรืออะไรกันเบาๆส่วนนานอินก็จับคู่กับขยินดูเหมือนครูพรานกำลังสอบถามถึงลักษณะภูมิประเทศของนิทรานครและเรื่องแวดล้อมอื่นๆโดยพยายามจะเขนเอารายละเอียดให้ได้มากที่สุด เมื่อพี่ใหญ่ของคางเงียบสงบไปแล้วอันไม่ทราบแน่ว่าจะจมอยู่ในผวางตามลำพังหรือเผลอหีบหลักอนุชากระเถิบเข้ามาชิดชายยานจนไายเบียดกันตามปกติแล้วอดีตรานชดนะักขผจนภัยยิ่งใหญ่ผู้นี้จะไม่ค่อยมีปัญหาหรือข้อซักถามอะไรมากนะักเท่าที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องและเพื่อนไปนาตัวกลับออกมาสู่โลกภายนอกได้ การสนทนาสอบซักถามถึงเรื่องราวของการและ ก, การในเส้นทางเดินไปสู่เทือกพระศิวะอนุชาดูเหมือนจะไม่สนใจที่จะได้รายละเอียดอะไรมากนะักเมื่อฝ่ายพี่น้องเล่าให้ฟังเขาก็ฟังโดยไม่สู้จะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าหากตนเองเป็นฝ่ายถูกสอบซักบ้างก็จะบอกแต่เพียงคร่าวๆปัดๆไปเสียไม่ประสงค์จะแจกแจงอะไรมากโดยคิดเสียว่าเป็นเรื่องของความฝันร้ายไปชั่วขณะ เพราะฉะนั้นการสอบสวนทวนความระหว่างทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายสูญหายในครั้งกระนั้นและฝ่ายติดตามจึงเป็นสิ่งที่ฝ่ายแรกจะไม่ประสงค์รับรู้อะไรทั้งสิ้นนิสัยของอนุชาเป็นเช่นนั้นเองดูผาดผาดว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหยาบลวกไม่เอาใจใส่กับอะไรทั้งสิ้นเรื่องมันแล้วมาแล้วก็ไม่อยากจะแคะไคลขึ้นมาคิดให้เปลืองสมองอีกบางทีอาจเป็นได้ในข้อที่ว่า ตัวเขาเองไม่เคยคิดเลยว่าในเส้นทางอันเปรียบประดุดความฝันร้ายกานี้ตนจะต้องหวนกลับมาเดินอยู่อีกครั้งพี่น้องเล่าหรือพานนาอะไรให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่ประจนสารพัดภัยระวางติดตามจึงเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาหมดสำหรับอนุชาและเรื่องราวมันก็มีอยู่หลายเหตุการณ์หลายตอนจนเขาจดจำไม่ไหวแต่มาคืนนี้หน้าบัดนี้ อนุชาวราริมีอาการเริ่มไหวตัวขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องราวของนิทรานครอันกำลังเป็นปัญหาหนักเฉพาะหน้าเขาอาจไม่กล้าซักถามอะไรพี่ชายใหญ่เพราะที่แล้วมาตนเองได้แสดงถึงความไม่สู้จะใส่ใจนะักแต่เมื่อเห็นว่าใช่ทางยี่ไปแล้วจึงเริ่มประกอบชายยันทันทีมันเป็นหน้าที่ของเขาแล้วที่จะต้องสแสวงหาข้อมูลโดยละเอียดที่สุดเพื่อ น, นามาประเมินในการวางแผนแก้ปัญหา โดยเฉพาะในเมื่อดารินวราริษอันเป็นน้องสาวเล็กได้สูญหายไปแล้วเช่นนี้ชายยันเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะเข้นความจริงเท่าที่ปรากฏมาแล้วออกมาได้มากที่สุดเพราะไม่กล้าสอบซักไล่เรียงเอากับพี่ชายใหญ่เกรงจะถูกตำหนิในความที่ตนเองไม่ได้สแสดงความเอาใจใส่มาแต่ต้นซ้ำบางขณะก็ยังสแสดงอาการยิ้มเยาะเหมือนไม่อยากจะเชื่อถือซึ่งในครั้งนั้นทั้งเชษฐาและดารินผู้เล่าความ ก็ยังเกิดความรู้สึกมันไส่ยุติการเล่าเรื่องราวเซยกลางคันบ่อยครั้งขอปรันดีในกระติกไปดื่มเต็มอีกแล้วก็เริ่มต้นด้วยเสียงกระซิบแผวเบาวา่าชายันแกยังไม่ง่วงไม่ใช่หรือง่วงอะไรล่ะในสถานการณ์แบบนี้แกจะนอนก็นอนเถอะฉันจะเฝ้ายามให้เองอนุชาชำเลืองไปทางพี่ชายใหญ่เห็นยังเอ็งหลัง พ, พิงหิน เอาหมวกกรุบ ป, ปิดหน้านิ่งอยู่ตามเดิมทางนั้นแกจะช่วยให้ความกระจ่างอะไรแกฉันได้ไหมเรามาคุยกันข้าวเวลาเพื่อรอแสงตะวันฉันก็นอนไม่ลงเหมือนกันแกจะคุยอะไรเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับนิทรานครที่แกพี่ใหญ่และน้อยได้เผชิญมาแล้วเพราะฉันต้องการข้อมูลอย่างแท้จริงของมันมากกว่าที่เคยรู้คร่าวๆมาก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกชายยันเหลือบตามองหน้าแล้วแย่เขี้ยวความจริงเราทุกคนที่เผชิญกันมาก็พยายามจะที่บายให้แกฟังอย่างละเอียดที่สุดแล้วนับตั้งแต่เราออกพ้นจากป่ากลับถึงบ้านถึงเมืองในโลกสิวิไลแต่แกไม่สนใจเองอนุชาถอนใจเฮือกเอามือทั้งสองเสยผมเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่แกจะมาตอว่าอะไรฉันนะ และขนาดนี้ฉันก็อยู่ในฐานะพรานนำทางถ้าฉันไม่ได้ข้อมูลมากพอฉันอาจนำพวกเราไปสู่ความหายาะได้ง่ายๆอาวละ่ะยอมรับว่าเป็นความช่วยของฉันเองที่ไม่สนใจในเรื่องนี้เท่าที่ควรเพราะไม่คิดว่าเราจะมาพบกับเหตุการณ์ที่พวกแกเคยพบมาเข้าอีกครั้งมันเกือบจะสายไปแล้วนะกลางสมัยที่พวกเราพยายามจะเล่าให้แกฟังเราอยู่กันครบพร้อมหน้า ไม่ว่าจะเชิฐถาน้อยชั้นเมหรือระพินและแง่สา ย, ซ, าย ซ, ซึ่งแต่ละคนในพวกเราก็ล้วนเผชิญกับมันมาในแง่มุมต่างๆอันไม่เหมือนกันเพราะต่างฝ่ายต่างแยกกันออกไปและพบเห็นกันคนละลักษณะถ้าแกตั้งคำถามแบบนี้โดยพร้อมหน้ากันทุกคนแกจะได้รายละเอียดมากที่สุดเพราะทุกคนจะช่วยกันบอกแกได้ในทุกแง่ทุกมุมเท่าที่ต่างฝ่ายต่างพบเห็นแต่นี่แกดันมาถามชั้นเพียงคนเดียว มันก็อาจไม่กระจ่างนักรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะให้รายละเอียดดีที่สุดก็คือน้อยนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เขาก็สูญหายไปเสแล้วชายยันไม่วายต่อว่าในความไม่เคยให้ความสนใจต่อเรื่องราวของนิทรานกรเท่าที่ควรของอนุชาถ้าแกจะถือเป็นความผิดชนิดไม่เอาไหนของฉันก็ยอมสารภาพละ่ะแต่ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าถ้ามัวมาเกี่ยงงอนอยู่แบบนี้พวกเราทั้งหมดจะมีแต่พังกับพัง และอาจไม่ได้ตัวน้อยคืนด้วยเอาล่ะฉันจะพยายามให้รายละเอียดของนิทรานครและมันตราให้มากที่สุดโดยสรุปประมวลเอาจากเท่าที่พบเห็นด้วยตนเองและโดยคาบอกเล่าของพวกเราคนอื่นๆด้วยแล้วชายยันก็บัญญายถึงความเป็นมาของนครประหลาดรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้อนุชาทราบตั้งแต่แรกเริ่มเผชิญหน้ากับตะขาบใหญ่รังข่าวยัก พวกผีกองกอยและซาบของนักบวชมันไตรอนุชานั่งอัดบุรีหนักตัวต่อตัวสดับฟังอย่างไตรตรองลึกซึ้งและเอาใจใส่เต็มที่เมื่อถึงเหตุการณ์ตอนใดที่ยังคลางแคลงอยู่ก็จะถามเป็นระยะระยะไปวงเล็บเปิดไม้เหตุจากผู้เขียนหากท่านต้องการทราบความเป็นมาในเหตุการณ์ตอนนี้โปรดหวนกลับไปอ่านเพชรพระอุมาภาคหนึ่งตอน นิทรานครวงเล็บปิดน้ำเสียงพูดของบุคคลทั้งสองกระซิบกันแต่เพียงแผ่วเบาเท่านั้นเรื่องราวความเป็นมาของนคร น, นี้ฉันหมายถึงย้อนหลังไปในอดีตการน้อยเป็นคนเล่าโดยอ้างว่ารู้เห็นจากความฝันหรือตอนหนึ่งอนุชาถามขึ้นสอบถามจากน้อยในตอนนั้นมันก็ไม่เชิงว่าจะหลับฝันไปนะน้อยดูเหมือนจะถูกสะกดให้มองเห็นภาพย้อนหลังในอดีต จากวิญญาณของขุนพลวอรมันที่ต้องการให้พวกเราช่วยเหลืออยู่ในขณะนั้นขุนพลวรมันที่เข้ามาสิงอยู่ในร่างของแง่ทายตามที่เล่านะ่ะเอาล่ะเมื่อน้อยได้รับรู้ในเรื่องราวความเป็นไปของนครนี้อันเกี่ยวกับความทรยศหักหลังของปุโรหิต ท, ที่มีนามว่ามันไตรผู้เรืองเวทชิงรักหักสวาสดกับขุนพลวอรมันโดยมีเจ้าหญิงพันธุมบดีเป็นเดิมพัน จนกระทั่งในที่สุดวอรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แนครล่มจมมันตรัยในสภาพของผีร้ายเข้าครอบงำอาณาจักรสาพพันธุมวีและประชาชนชาวนครทั้งหลายให้กลายเป็นทาตในกรรมือมันหลายกลับหลายกันจนกระทั่งระคินนำพวกแกทั้งหมดไปทำลายล้างอาถรรพ์ลงได้ชั่วขณะปลดปล่อยทุกวิญญาณเป็นอิสระพ้นบ่วงกรรมไป แล้วน้อยไม่ได้เล่าถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงอีกองค์หนึ่งของนครเดียวกันนามว่าจิตรางคนางอันเป็นเชื้าภักนีของพันธุวดีบ้างหรือน้อยรู้เรื่องของจิตรางคนาในขณะนั้นด้วยหรือเปล่าชายันเองก็มีสีหน้ามึนงงสั่นศีษะไม่มีเลยไม่เคยปรากฏนามหรือเรื่องราวของเจ้าหญิงจิตรางคนาเข้ามาผูกพันด้วยในตอนนั้นถ้ามีน้อยก็คงต้องเล่าให้เราฟังแล้ว และจิตร่างคณางโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรในการกล่าวอ้างของมันไตรตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับของอดีตอันนานแสนนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นน้อยเองก็เคยถูกปุโรหิตมันไตรหรือไอจอมผีดิบนั่นสะกดลักพาเอาตัวไปได้ไม่ใช่หรือแล้วก็หลุดรอดออกมาได้โดยการช่วยเหลือของขุนพลวรมันในคราบของร่างแงทายใช่ น้อยเล่ายังไงตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วเผชิญหน้ากับมันไตรมันไม่ได้บอกอะไรเขาเกี่ยวกับตัวเขาเองบ้างเลยหรือเ <c oughs> มื่อ น, น้อยไม่ได้เล่าหรือเอ่ยถึงอะไรเลยในเรื่องนี้ก็แปลว่ามันจะต้องไม่ได้เอ่ย อ, อ, อ้างอะไรให้เขารู้ในยุคนั้นเรื่องราวมันจะต้องมีอะไรซับซ้อนมากกว่าเท่าที่วิญญาณของวรมันมาเล่าบอกความให้น้อยรู้แต่เมื่อหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ตอนนั้น มันก็สอดเจตนาได้ชัดเจนมาก่อนว่ามันกะจะเอาตัวน้อยไปตั้งแต่ครั้งก่อนนี้แล้วและมาคราวนี้มันก็จ้องที่จะเอาตัวน้อยไปให้ได้อีกมีอะไรน่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้อนุชาพึมพำออกมาเหมือนจะรำพึงดวงตารีลงฉันเองแม้จะไม่ได้ประเชิญมาด้วยในครั้งนั้นแต่ก็รู้สึกว่ามันเจตนาเจาะจงที่จะเอาตัวน้อยให้ได้เหมือนเช่นที่แกเข้าใจเหมือนกัน ครั้งแรกก็เข้าใจว่าเกิดจากความพยายามอาฆาตที่น้อยเป็นคนเข้าไปถอนกรีตอันปักตรึงไว้กับคำพีศักดิ์สิทธิ์ของมันเป็นผลให้ริเตกของมันเสื่อมคลายลงชั่วขณะจนกระทั่งมันเพลียงพรมพ่ายแพ้ไปในคราวนั้นพอมันรวบรวมพลังจิต ข, ของมันได้อีกครั้งพร้อมทั้งอิทธิฤทธิทยาอาคมที่มันมีอยู่มันก็กลับฟื้นคืนสภาพเดิมขึ้นมาได้อีก โดยเข้าไปสิงอยู่ในสร้างอื่นต่อไปสุดแต่มันจะเลือกดักรอคอยเล่นงานทั้งเราผิดและฝ่ายเราอยู่ซึ่งแน่ละมันต้องถือว่าเป็นศัตรูสำคัญทีเดียวแต่มันก็ยังอุตส่ามีข้อแม้ให้เลือกตามที่แกกับพี่ใหญ่ได้ยินมันพูดเมื่อครู่ใหญ่นี้ที่ว่าถ้ายอมสละน้อยให้แกมันมันก็จะยุติการจองเวรพวกเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีเขาเงื่อนอยู่บ้างเหมือนกันว่า ในอดีตการน้อยมีกรรมเก่าอะไรเกี่ยวพันอยู่กับมันชา ย, ยันเบ้ปากยักไหลไอชาติผีโกโหกมากไปด้วยกิเลสตันหาเราจะไปเชื่ออะไรมันได้มันบอกว่ามันจะยอมละเว้นพวกเราทุกคนแต่พอเชิดถามซักถามไปถึงระพินมันก็ไม่ยอมตกลงอะไรด้วยทั้งสิน้นมันกะจะเล่นงานระพินด้วยรายนั้นดูเหมือนมันจะถือเป็นมหาศัตรูหมายเลขหนึ่ง จะต้องจองล้างจองผ่านให้ได้เนื้อใครทีเดียวและเราก็ยังไม่รู้ว่าขณะนี้มันดําเนินการกับประพินไปถึงไหนแล้วรายนั้นก็อย่างที่ลงอินบอกไว้แล้วนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกมันทําอะไรเขาได้ยากและโอกาสที่มันจะพินาศเป็นครั้งที่สองก็มีอยู่ไม่น้อยถ้ายังขือติดตามรังควานจองเวงเขาต่อไปแต่เรื่องอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าการที่มันอ้างว่าน้อยคือจิตตรางขนา นี่คืออันตรายยิ่งใหญ่ที่สุดของน้อยและพวกเราทุกคนชายันแกคิดว่าระพินจะรู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่มันอ้างถึงจิตตรังคณามบ้างไหมฉันเดาอะไรไม่ถูกเดีย๋ยวว่าแต่เรื่องนี้เลยแม้ตัวระพินเองขณะนี้เป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนอย่างไรฉันก็ไม่กล้าเดาเหมือนกันคนเรานั้นต่อให้เก่งกาจสามารถสักขนาดไหนทําอะไรได้สําเร็จและมีโชคชัยมาได้เก้าสบเก้าครั้ง อาจเป็นครั้งที่หนึ่งรอก็ได้ที่จะต้องเป็นฝ่ายพลาดขึ้นมาบ้างอนุชาครางพยักหน้ามันก็สุดแล้วแต่กรรมเก่าของแต่ละคนนั่นแหละแต่การบอกเล่าโดยละเอียดของแกทำให้ฉันได้ประโยชน์มากทีเดียวในด้านเตรียมรับมือกับมันต่อไปเสียดายเวลาที่ผ่านไ ป, ปเปล่าๆโดยที่ฉันไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้จริงจังมาก่อนไม่งั้นเราจะไม่เสียท่ามันถึงขนาดนี้แกประมาทต่อเหตุการณ์เกินไป แกถือว่าแกมีฝีมืออยู่ในเรื่องป่าดิบดงดำนี้และก็เหิมใจที่ได้ลุงอินอันเป็นพรางคู่ใจของแกร่วมทางมาในครั้งนี้ด้วยเลยทำให้คิดว่าทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหาชายยันตำหนิเอาซึ่งซึ่งหน้าอนุชานิ่งเป็นดุษณีไปครู่เหมือนจะยอมรับโดยดีไม่แกตัวหรือโต้แย้งอะไรทั้งสิน้นบางทีชายยันน่าจะกล่าวถูกต้องแล้ว ในใจเขาบอกกับตนเองเช่นนั้นแล้วต่อมาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่ำว่าฉันมัวแต่ไปคิดถึงแต่เรื่องการจะตามระพินได้ทันหรือได้พบหรือไม่และห่วงในอันตรายอันจะเกิดกับตัวเขาเกี่ยวกับกลายเป็นเครื่องมือของไอ้พวก CIA ซึ่งมันอาจหักหลังเขาเมื่อไหรก็ได้ไม่ได้คิดห่วงในเรื่องภัยมืดลี้ลับในป่าหลงสำรวจนี่เลยขออีกสักสองสามคถามได้ไหม ในสิ่งที่ฉันยังคล่องใจและคิดว่าควรจะได้รู้ไว้ถามมาให้พอใจให้หมดเลยฉันจะตอบแกทุกคำถามถ้าที่ฉันรู้เราบอกแล้วว่าฉันไม่ง่วงหรือคิดอยากจะพักอะไรทั้งสิ้นอดีตพรานชดแลไปยังฝั่งตรงข้ามของกองไฟก็ยังเห็นพรานครูผู้อาวิโสกำลังพูดอะไรซุบซิบในเชิงสอบซักปรึกษาหารือ ก, กับขยินอยู่อย่างไม่ลดละเช่นกัน โดยนานอินเองก็กําลังต้องการสแสวงหาข่าวเกี่ยวกับความเป็นมาของจอมขมังเวทมันตรายอย่างจริงจังขณะที่มันพูดโต้อตอบอยู่กับเชษฐาและแกเมื่อครู่ใหญ่นี้ก่อนหน้าการยิงกันขนาดใหญ่มันพูดกับแกและเชษฐาด้วยภาษาอะไรทําไมถึงฟังกันได้เข้าใจรู้เรื่องฉันบอกไม่ถูกในเรื่องนี้และถ้านแกถามเชษฐาเขาก็คงตอบไม่ได้เหมือนกันว่า มันติดต่อ ก, กับเราด้วยภาษาอะไรแต่เราก็เข้าใจมันดีที่สุดเท่าเท่ากับที่เมื่อเราพูดภาษาของเราออกไปมันก็เข้าใจเหมือนกันเหมือนสมัยที่เราเข้าไปถึงมรกรครของเงายรายนั่นแหละเราพูดไทยพวกนั้นใช้ภาษากูโบสขยินพูดกะเรี่ยงส่างปาพูดพมา่ามาเรียเมียฉันพูดอังกฤษแต่ก็สามารถรู้เรื่องกันได้ทุกฝ่าย มันเหมือนกับว่ามีอะไรพิเศษสักอย่างหนึ่งเป็นคล้ายๆตัวทรานสฟอร์เมอร์แปลภาษาติดอยู่ในโซดของเราทุกคนรวมทั้งพวกนั้นด้วยทำให้สามารถเข้าใจกันได้อย่างอัศจรรย์ทางทานที่ต่างก็พูดภาษาของตัวเองซึ่งแกก็ประสบมากับตนเองแล้วในครั้งนั้นมิเะนนั้นแกจะพูดกับพวกมรกรกนครในยุคก่อนหน้าที่พวกเราจะตาม้าไปชื่อเหลือได้ทันอย่างไร อนุชาพยับหน้าลงนิดหนึ่งถอดถุงมือหนังอันเปียกน้ำออกและเอามืออันเย็นซีดอังเปเลวไฟเอาล่ะฉันพอเข้าใจแล้วมันเป็นการติดต่อ ก, กันทางกระแสจิตนั่นเองแบบเดียวกับที่ฉันเคยพบกับวายามนุษย์ยุคหินเจ้าแห่งลิงใหญ่ทั้งหลายที่ภูเขานินลการพวกแกตามไปทีหลังก็สามารถจะติดต่อพูดจารู้เรื่องกับวายาได้เหมือนกันตามที่เคยเล่าให้ฟัง และเสียงโหยหวนหน้าคนลุกที่มันเรียกนามจิตตรังคนางให้เราได้ยินก่อนหลับเมื่อหัวค่ํามันฟังชัดเจนเหลือเกินทางด้านชั้นระวังที่ติดตามพวกมันไปเพื่อจะเอาหีบเครื่องเวชพันคืนไม่ได้มีการติดต่อผู้จาอะไรากับพวกมันเลยและมันก็ไม่ได้พยายามติดต่อมาด้วยเพียงแต่สอดเจตนาที่จะเอาหีบเวชภันไปให้ได้เท่านั้นมันอาจล่อกแกกับลุงอินให้ออกจากที่พักที่นี่ เพื่อไปสู่จุดดักอันตรายอะไรสักอย่างก็ได้บังเอิญโชคดีแกไปกับลุงอินและทานเล่เกลนของมันจึงเอาของที่มันฉวยไปคืนมาได้มันฉลาดมากในการเอาหีบเครื่องยาของเราไปคือหนึ่งถ้าแกกับลุงอินตามก็แปลว่ามันพร้อมที่จะดักเล่นงานที่จุดได้จุดหนึ่งอันจะทําให้มันได้เปรียบกว่าที่แกอยู่ตรงนี้สอง ถ้าไม่ตามมันก็ขโมยปัจจัยสําคัญของเราไปเป็นการตัดกําลังต่อไปใครเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอย่างไรก็ปราศจากยารักษาเป็นการก่อวินาศกรรมตัดกําลังพวกเรานี่ยิ่งมานั่งพิจารณาฉันก็ยิ่งมองเห็นอะไรกว้างขวางออกไปเรื่อยๆในเล่ห์เพทุบายร้ายของมันไตรสมมุตินะสมมุติว่าเราสามารถทําลายซากตัวนักรบที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งมันตร ย, ยึดครองเข้าสิงอยู่ในขนาดนี้ฉันก็ว่ามันไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรนะักเพราะมันก็ถอดวิญญาณไปเข้าเลือกสิง่งที่สร้างอื่นๆสุดแต่มันจะเลือกเอาตามใจชอบต่อไปอนุชากล่าวเหมือนจะบ่นกับตนเองก็ใช่น่ะสิฉันและเชษฐาก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ถึงเช่นนั้นเราก็พยายามที่สุดที่จะยิงทาลายไปที่สรากสาคัญของมันให้ได้ แต่มันก็โผล่ออกมาให้เห็นถนัดเหมือนเหมือนกับที่มันโผล่หลอกลอก่อแก่กับลุงอินเหมือนกันเมื่อกี้นี้ฉันก็หาเรื่ยกับลุงอินดูแล้วอนุชาเอ่ยช้าๆแผ่วเบาที่สุดเราจะต้องหาวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งสกัดกั้นอาถรรพ์ร้ายของมันโดยไม่ให้วิญญาณของมันเข้าไปสิงอยู่ในร่างใดๆได้อีกเลยซึ่งนานอินเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรแต่เรารู้ว่าหนามยอกก็ต้องเอาหนามบง มันจะต้องเป็นวิธีแบบนี้แ น, น่เพียงแต่ว่าวิธีแบบนี้ที่เราคิดกันไว้นั้นน่ะมันเป็นแบบไหนกันแน่ครั้งก่อนนี้ราฟินกับคนของเ้าทําลายล้างมันได้อย่างเฉียบขานแต่ก็ช่วยระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นโดยมีวิญญาณของวรมันคอยมากระซิบบอกความลับให้ท่ว่าคราวนี้เราจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องชี้นะบอกลู่ทางให้ถ้าขืนยังรบมันไปแบบนี้เรื่อยๆ ต่อให้เราบุกเข้าไปจนถึงนิทรานครของมันก็ตามเราก็ทําลายมันไม่ได้หมดหรอให้มีกระสุนอีกหมื่นหมื่นนัดก็หยุดไพรพลหุ่นยนต์อันเป็นซากมัมมี่ที่มันไปขนออกมาจากสุสานในเมืองร้างนั้นไม่หมดก็นี้แหละคือความหนักใจของฉันอยู่เดียวนี้อย่างที่ล่าใฟังแล้วว่าฉันกับเมเคยเข้าไปติดขังอยู่ในสุสานใต้ภูเขาในบริเวณเมืองร้างข้างในเต็มไปด้วยศพอาบยา สภาพกลายเป็นท่อนหินและอายุมันมากซะจนหินย้อยลงมาเครือบหรือหยดงอกลงมาต่อเชื่อมกับซากเหล่านั้นนั่นเป็นแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ฉันเห็นยังไม่รู้เลยว่าสุสานของมันมีอยู่อีกสะกี่แห่งเมาคิดดูเดี๋ยวนี้ก็อยากจะเชื่อว่ามันเต็มไปหมดชนิดนับไม่ถ้วนทีเดียวเพราะ น, นิทรานครเป็นเมืองผีดิบทั้งเมืองอีกอย่างหนึง่งมันก็อาจขนออกมาจากสุสาน นำแอบซุ่มกระจายกระจายไว้ตามป่าทั่วไปพร้อมที่จะเข้าสิงนำขึ้นมาใช้งานได้ทุกขณะไม่เฉพาะแต่จะเรียกออกมาจะสุสานเท่านั้นมิหนมซ้ำร้ายไปกว่านั้นมันยังใช้มนโคชสารเรียกช้างทั้งป่าใหมาเป็นกองกาลังต่อต้านเข็นฆ่าราวีกับเราได้อีกด้วยมันมาคราวนี้ร้ายหนักกว่าครั้งก่อนมากนะักเพราะครั้งก่อนนั้น เราเพียงแค่ทำลายซากนักบวชของมันและทำลายเสือโครงดำเท่านั้นมันก็หมดริบลงแล้วนี่เราจะยิงซากมา ม, มี่ก็ยิงไปมันก็แค่เอาซากมาแลกกับปืนเราหนึ่งซากต่อหนึ่งนัดจะยิงช้างป่าที่อาคมของมันลงสิงก็เท่ากับเราล้มช้างไปนหนึ่งตัวเป็นช้างที่มีชีวิตแต่ต้องมนสะกดและพุ่งเข้าหาเราอย่างบ้าคลั่งไม่กลัวตาย โดยเอาชีวิตสัตว์ใหญ่มาตายให้กับผลประโยชน์ของมันมันโหดเหี้ยมหินนชาติเหลือกำลังบอกตรงๆทุกครั้งที่ฉันยิงช้างที่ต้องวนสะกดล้มลงฉันอนาจใจเหลือเกินสัตว์ป่าเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนานที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับเราเลยแต่ก็ต้องมาล้มตาเจ็บปวดเพราะถูกมนบังคับแท้ๆและถ้ามันยังโจมตีเราด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆ เ, เราก็ต้องเ พ, งพรียพรมเข้านแน่สักโอกาสหนึ่ง เพราะฉะนั้นแก้ปรึกษาลุงอินให้ดีเถอะว่าจะต้องสกัดวิชาอาคมอิทริกของมันลงให้ได้อย่างไรเท่าที่แล้วมาเป็นการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปแค่ครั้งๆเท่านั้นอนุชาฟาดกาปั้นลงกับฝ่ามืออีกข้างหนึ่งรับหนักๆว่าใช่มันจะต้องใช้วิธีแก้กลกันให้ถูกหลักไม่ใช่เอาลูกปืนไปต่อต้านมันอย่างที่เราทาอยู่ทุกวันนี้ แต่ลุงอินที่ว่าอาคมแก่กล้าแล้วแกก็ยังคลาทางไม่ถูกค่อยๆสังเกตค่อยๆจับเคล็ดไปเถอะมันอาจมีอะไรเป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่นิดเดียวก็ได้เมื่อไม่มีระพินไม่มีแงซายพวกเราทั้งหมดก็ต้องฝากความหวังไว้กับแกและลุงอินสองคนเท่านั้นมันเป็นปีศาจร้ายหรือมารแต่พวกเราทุกคนก็ยืนอยู่ใต้เงาปกป้องของอรหันเจ้า มันจะชนะพระก็ให้มันรู้ไปอดีตพรานชดเม้มปากแน่นเราทุกคนมีเคราะห์กรรมร่วมกันไม่ว่าพวกเราที่มาด้วยกันนี่หรือพวกกระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วถึงได้มาเผชิญกับสิ่งอันพิสดาร ล, ลี้ลับจนสุดที่จะหาข้อพิสูจน์ไดเช่นนี้ฉันเองก็เก่งแค่เดินดงแกะรอยล่าสัตว์ไม่เคยสนใจร่มเรียนในเรื่องคาถาอาคมมน์มืดมาก่อน ส่วนลุงอินแกก็แก่จนเรื้อไปซะแล้วและแกก็พูดกับชันเสมอว่าพรานป่าที่ไม่ยอมเลิกชีวิตพรานผลที่สุดก็ต้องตายด้วยความอาถรรพ์ของป่านนั่นแหละไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะเก่งสักแค่ไหนแล้วอนุชาก็ขยี้จมูกแรงๆพึพรรมพำต่อมาว่าขณะคนที่ท่องชินบัญชรได้จบมียานพิเศษสามารถติดต่อกับสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ได้ ก็ยังกลายเป็นคนสูญหายไปเช้แล้วในคืนนี้ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนนั่นเป็นการรำพันออกมาจากจิงใจแก่นแท้ของอนุชาเป็นครั้งแรกแล้วลำแสงแรกของทวารการก็ฉาบขึดบนท้องฟ้าเหนือเชิงขุนเขาอันเป็นตำแหน่งที่ตั้งสายน้ำตกใหญ่นั้นส่องความสว่างลางๆล ง, ลงมาบริเวณที่พมนักชั่วกราของอนุชาวราฤทธิ์ เช่ถามไม่อาจทราบได้ว่าในระหว่างพักพั่วที่ร่วมเหตุการณ์นั้นมีใครม้อยหลับไปอย่างเขาบ้างหรือไม่แต่ตนเองนั้นได้งีบไปบ้างด้วยความฝันอันานานประหลาดล้ำเมื่อเขาขยับตัวลืมตาขึ้นเห็นไฟในกองที่ก่อไว้กำลังจะมอดดับนานอินนั่งเอน็นหลังพิงกับขยินใบหน้าของคนทั้งคู่ซบอยู่กับท่อนแขนทั้งสองที่วางพาดอยู่กับเข่าที่ตั้งยันพื้นส่วนอนุชาและสหายชายยัน พากันนั่งนิ่งซึมตามองจับยิ้มที่กองไฟเบื้องหน้าโดยไม่ได้พูดจะอะไรกันทั้งสิ้นดูเหมือนทั้งสองจมลึกอยู่ในห่วงผว ง, งทันทานที่ดวงตายังลืมอยู่หมอกสีเทาจางๆลอยปกคลุมราป่าอยู่ทั่วไปยังแลเห็นอะไรได้ไม่ซื้อจะถนัดนักการได้พักลงบ้างแม้จะชั่วขณะหนึ่งช่วยทำให้สมองของท่านหัวหน้าคณะปลอดโปรง่งแจ่มใส และมีพละกำลังขึ้นเมื่อเห็นน้องชายกลางเพื่อนกับผู้ร่วมคณะมือดีของเขาอีกสองคนตกอยู่ในสภาพนั้นจึงกระแอมขึ้นเบาๆเป็นการให้เสียงทั้งสี่พากันไว้ตัวหันมาทางเขาเป็นตาเดียวชายยันกลางนี่ไม่มีใครหลับกันเลยหรือคุญชายเชษฐาเอ่ยถามขึ้นแทนคำตอบชายยันสั่นหน้าช้ า, ชา ส่วนนานอินและขยินกรวีกระวาสลุกขึ้นเคลื่อนไหวโดยเร็วคนหนึ่งสุ่มไฟเพิ่มเข้าไปอีกคนหนึ่งล้วงเอาเครื่องกระป๋องแบบเรชั่นที่ติดย่ามหลังอยู่ออกมาเตรียมอุ่นไฟทันทีเพื่อประทับประทังไปก่อนสำหรับกระเพาะในยามเช้าคุยกันจนสว่างคาตาเลยหรืออดีต ท, ท่านทูตทหารโบกกล่าวถามต่อมาลุกขึ้นมานั่งใกล้ๆพร้อมกับบิดกายอย่างเมื่อยขก และหน้าเพื่อนและน้องชาซึ่งเห็นซีเซียวก็คุยกันสค่ จ, จนไม่มีอะไรที่จะคุยได้อีกแล้วนั่นแหละชายยันตอบแผ่ๆยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าแรงๆมีอะไรคืบหน้าบ้างใครมีแนวความคิดหรือมองรู้ทางอะไรอย่างไรอนุชาคอตกแต่ฝืนยิ้มก็ไม่มีอะไรคืบหน้าหรอกครับพี่ใหญ่ถ้าจะมีก็มีแต่เฉพาะปัญหาที่ยังจบไม่ได้เท่านั้น พี่ชายใหญ่ของคณะเอื้อมือไปตบหลายคนทั้งสองเบาๆใจเย็นๆค่อยๆ ค, คิดอย่าทรมานตัวเองโดยร้ายประโยชน์เอาละ่ะนี่ก็เช้าแล้วเราคงทำอะไรได้ถนัดกว่าเวลากลางคืนมากพี่จะวิทยุเรียกให้ในชวนเอาลูกหาบทั้งหมดและข้าวของของเราลงมาสมทบที่นี่เราก็รออยู่ตรงนี้จนกว่าพวกนั้นจะเดินทางลงมาถึงระหว่างนี้ก็หาอะไรรองท้องไปก่อน ลุงอินกับขยินรอบคอบดีมากที่จัดการสำหรับอาหารมื้อช้าเพื่อประทางชีพก่อนโดยไม่ต้องสั่งเราต้องมีกำลังมีแรงเสียก่อนถึงจะทำอะไรต่อไปได้ประโยคหลังเขาหันไปพูดกับนานอินและขยินด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มซ่อนรอยกังวลไว้ไม่เปิดเผยออกมาให้เห็นแล้วควาวิทยุขึ้นมาเรียกพักพวกที่ยังรอกันอยู่ตรงตำแหน่งหน้าผาสูงขึ้นไ ป, ขนไปเขาเรียกอยู่สอถึงสครั้งก็ปรากฏเสียงอู้อีของหัวหน้าลูกหาตอบรับลงมา จึงออกคําสั่งให้ทุกคนบนนั้นเคลื่อนย้ายลงมาสมทบพร้อมกับสัมภราข้าวของทันทีซึ่งในชวนก็รับคํามากินอาหารเช้ากันตรงนี้ทุกคนรีบลงมาก่อนก็แล้วกันประโยคท้ายเขากําชับขึ้นไปแล้วเลิกการติดต่อบิดกายจนกระดูกลั่นกรอบกแกรบชายยันกับอนุชาก็ลุกขึ้นยืนดัดตัวอย่างเมื่อยขบสะบัดแขนขาออกไป เชิดฐาจุดซิก้าสูบภายหลังจากตื่นขึ้นมาเป็นซิก้าเก่าที่เขาดับไว้ครึ่งตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพูดเปลยๆกับทั้งสองคนว่าประเดี๋ยวเมื่ออะไรพร้อมเราจะเริ่มออกตามโดยอาศัยเส้นทางที่กระแสน้นำพัดลงไปนี่แหละโดยอนุมาณเอาว่าเมื่อหีบเวชพันที่น้อยก่อติดตัวอยู่มันมาติดค้างอยู่บริเวณนี้และเราค้นพบแล้ว ตัวเขาเองก็คงจะถูกกระแสน้ําพัดต่อลงไปอีกในเส้นทางเดียวกันแต่ต่ําลงไปมีใครจะแย้งเป็นอย่างอื่นบ้างไหมอนุชานิ่งชายันตอบตามตามาว่าก็คงเป็นวิธีเดียวกรมะมังที่เราจะทําได้เพราะมองไม่เห็นทางอื่นตอนที่ฉันหลับไปสองคนคุยอะไรกันมั่งละ่ะเทธาถามเรียบเรียบก็ไม่มีอะไร กลางขอทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับนิทรานครที่เราเคยผจญกันมาก่อนแล้วซึ่งฉันก็อธิบายให้เขาฟังหมดทั้งแง่ทุกมุมแบบชายซ้ำเพราะรอบแรกที่ฉายเขาไม่ตั้งใจดูควรจะศึกษาไว้ให้ปรุปโปรง่งและควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้มา น, นานแล้วพี่ชายใหญ่พ่นควานซิก้าแลไปทางน้องชายผู้เดินวนอยู่ไปมาใกล้ๆ แล้วกลางได้ความคิดอะไรขึ้นมาบ้างไหมผมเกรงว่าน้อยถ้ายังไม่ถึงแก่ชีวิตในตอนนี้เพราะแรงกระแทกของน้ําพัดก็น่าจะตกอยู่ในกำรร ม, มือของไอ้ผีร้ายเจ้าเล่ยนั่นแล้วอนุชาบอกตรงๆ ต, ตามความรู้สึกของเขาอย่าเพิ่งมองอะไรในแง่ลบก่อนท่านหัวหน้าคณะกล่าวช้าๆเขาน่าเรียบจนยากที่จะอ่านความรู้สึกภายในได้ พี่ก็นแน่ใจว่าน้อยจะไม่เป็นอะไรมากตราบใดก็ตามที่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์2องค์ยังไม่หลุดจากคอน้อยอย่างที่เคยบอกแล้วมันตรายก็เช่นกันคงทำอะไรไม่ถนัดนักร้องกาแฟสำเร็จรูปและซุปม า, ารโรนีเดือดทั้งสี่คนเข้ามาร่วมวงกินรองท้องกันไปตามมีตามเกิดอาศัยเวลาระหว่างนี้รอพวกลูกหาที่กาลังเดินทางลงมาสมทบด้วยครั้นแล้วระหว่างที่จิบกาแฟ ท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลก็หันมาถามครูพานผู้เฒ่าว่าลุงอินลุงเรียนทางสายเวทมามาตลอดชีวิตก็อยู่ในป่าดงพงไพรเห็นอะไรแปลกๆมาทุกสิ่งทุกอย่างลุงเคยเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งไหมเห็นอะไรนายใหญ่คืองี้นะงูสองตัวฟังให้ดีงูสองตัวต่างฝ่ายต่างกินกัน โดยตัวหนึ่งกินหางของอีกตัวหนึ่งแล้วก็กลืนหางของแต่ละตัวเข้าไปจนในที่สุดก็กลายเป็นวงกลมแล้วก็ตายติดกันอยู่ในสภาพที่พยายามจะกินกันอย่างที่บอกให้ฟังนะ่ะหนานอินหูพึ่งทำหน้าชะงนทันทีจ้องหน้านายใหญ่ขณะที่ชายยันและอนุชาก็แสดงความอาการประหลาดใจในคําพูดแบบไม่มีปีมีกลุ่ยของเชิฐา จ้องมาเป็นตาเดียวงูต่างฝ่ายต่างกลืนหางของอีกตัวหนึ่งแล้วมาติดตายเป็นรูปวงกลมเอ๊ะนาใหญ่นึกยังไงถึงถามนานอินอย่างนี้เอาเถอะนะฉันถามลุงว่าเคยเห็นหรือเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือเปล่าครูพรานผู้เท่าอึ้งไปนานแววตาชราของแกมองจับที่เชิดถาอย่างมีอะไรสะกิดใจยิ่งเหมือนจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่าง แล้วกล่าวว่ามันเป็นของอาถรรพ์ที่หายากที่สุดเลยนะนายใหญ่นานอินเคยได้ยินเรื่องนี้ดีแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบมาก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนก็สอนไว้นักหนาว่าถ้าพบงูต่างฝ่ายต่างกลืนหางกันแล้วตายเป็นรูปวงกลมเหมือนห่วงกาไลแบบนั้นก็จงเก็บรักษาไวเ้เถิดเพราะเทพเจ้าแห่งหนาคราชสําแดงเป็นปาฏิหาร เพื่อมอบของดีวิเศษสุดไว้ให้แก่ผู้พบเห็นมันให้คุณวิเศษแก้สเสนียดจันไรเพศภัยได้ทุกชนิดไม่ต้องไปปลูกเสกลงเลขยันอะไรอีกแล้วใช้เป็นเครื่องคุ้มตัวได้ทันทีแก้คุณใสผีเข้าทำลายเวทมนต์คาถาเดรชานวิชาชั้นต่าทุกชนิดให้เสื่อมลงไปหมดนานอินเคยได้ยินเคยรู้สรรพคุณและเดินป่ามาจนแก่ป่านนี้ ก็ไม่เคยพบเห็นสักทีอย่างมากก็เคยเห็นแค่ ง, งาช้างกําจัดไข่นกเป็นหินช้องหมูคดไม้งูกลืนหางกันเองเป็นรูปวงกลมนั้นเขาเรียกหน้าขบาาไม่เคยพบไม่เคยเห็นสักทีฟังแต่เขาสั่งสอนกันต่อมานานอินแปลกใจที่นายนึกยังไงถึงเอาเรื่องงูกลืนหางกันเองเป็นวงกลมแล้วมาถามนานอินเช้าวันนี้ นั่นสิแกไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนเกิดมายังไม่เคยได้ยินงูอะไรจะต่างฝ่ายต่างกลืนหางอีกตัวหนึ่งอย่างกะเอาท่อยาหรือท่อพลาสติกสองเส้นมาสอดหัวสอดท้ายเข้าหากันแบบนั้นชายยันซักโดยเร็วเชษฐารีตาลงนิดหนึ่งเอานิ้วเคาะขมับ พ, มพึมพำว่าเอน่าคิดเ็จแล้วจากคำบอกเล่าของลุงอินไหนบอกให้แน่ใจอีกทีสิ ลักษณะของงูกินหางแบบนั้นเขาเรียกอะไรนะหน้าขบาานายมันจะไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรอกแต่จะเกิดโดยการจงใจมอบมาให้ของเทพเจ้าแห่งงูแล้วมันแก้อะไรนะกรลีเหตุเพศภายทุกชนิดวิญญาณร้ายคาถาอาคมทางเดราชาวิชางั้นหรือเขาว่ากันว่างั้นแหละนาย ขณะคนผีเข้าเอาหน้าขบาดชนิดนี้คล้องฉับเดียเพ่นนี้ไม่ได้อีกแล้วเรียกออกมาเก็บลงขวดลงหม้อทวงน้าไปได้เลยไอพวกเก่งวิชาประเภทเสกใบไม้เป็นต่อแตนหรือทำควายธนูคุณสายอื่นๆพวกยาสั่งใครมีหน้าขบาดอย่างว่านี่วิชาฝ่ายตรงข้ามมันจะเสื่อมทันทีเสือสมิงโหนงรายผีตายโหงตายหา จากคุ้มนรกไหนก็รอหน้าไม่ติดสัตว์ร้ายทุกประเภทไม่ว่าเคี้ยวงาเล็บจนไม่กล้าเข้าใกล้ยิ่งงูแล้วยิ่งชะัดนักต่อให้จงอางโยนเข้าใส่ปุ๊บเดียะงอก่อ ง, งอขิงเป็นกิ่งกือหมดฤทธิ์ไปเลยล่างเอาขึ้นมาแหกปากมันได้แน่หรือท่านหัวหน้าขณะเน้นเสียงถามหนานอินก็บอกแล้วว่าไม่เคยเห็นไม่เคยลอง แต่ครูพรางคนเก่าแก่โบราณก็สอนกันไว้นักหนาถ้าพบเห็นให้เก็บไว้ให้ดีแต่นานอินไม่ได้พบสักทีเหล็กไหลว่าหาได้ยากที่สุดแล้วหน้าขบาายังหาได้ยากกว่าเกิดเป็นตัวเป็นตนมานอกจากไม่เคยเห็นของจริงแล้วก็ยังไม่เคยรู้ข่าวด้วยว่าใครที่ไหนมีหลวงพ่อองค์ที่เลี้ยงไอ้แง่ายมาก็เคยบอกนานอินไว้แต่ท่านก็ไม่เคยบอกว่าท่านมีเอาล่ะ คราวนี้สมมุติอีกทีเทศาถามต่อมาโดยยังไม่สนใจว่าทั้งน้องและเพื่อนชายจะรุมล้อมซักเขาเช่นไรเกี่ยวกับที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอย่างไม่มีเขาเงื่อนมาก่อนสมมตินะว่าถ้าเราได้หน้าขบาทอย่างว่านั่นเราจะทำลายอาถรรอิทธิฤ์ของไอม้มนตรายและนิทรานครได้ไหมน้นอินตกข่าพางบัตโท้น้าใหญ่ถ้าเรามีของดีพิเศษอย่างนั้น ต่อให้อีกสิบมันตรัยก็เป็นจุดมหาจุดไปเท่านั้นบนตราอาคมอุบาทของมันจะเสื่อมไปหมดสิ้นทันทีเมื่อคืนนี้พรานเชิก็ปรึกษากับนานอินแล้วว่าเราจะเล่นกับมันยังไงดีแต่นานอินก็ยังมองไม่เห็นทางและไม่ได้นึกถึงเรื่องหน้าขบาาอย่างว่านี่เราะนึกไปก็มีประโยชน์จะไปหาได้ที่ไหนและถ้าจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือพระธาตุของพระพุทธองค์หรือพระสาวกที่นิพพานไปแล้ว มันก็หายากพอๆพกันเราจะไปหาพระธาตุมาจากไหนที่เป็นของแท้ท่านหัวหน้าคณะเม้มปากเกือบเป็นเส้นตรงพยักหน้าลงช้าๆอย่างมีอะไรอยู่ในหัวคิดของเขาขนาดนี้นิ่งไปอีกพักใหญ่จึงหันมากล่าวเป็นงานเป็นการกับอนุชาและชัยยันว่างีบไปได้สัก2อถึงสามชั่วโมงที่ผ่านมาพี่ฝันอะไรไปแปลกๆสารพัดมันไร่ไดีๆยังไงบอกไม่ถูก แต่แรกก็ฝันเห็นระพินทสมซานพร้อมโซเดินเปป่าอยู่กลางป่าคนเดียวจะตามเรียกเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันต่อมาก็เห็นน้อยกลายเป็นหินนั่งอยู่บนแท่นมีเครื่องแต่งกายทนิมพิมพ์พาพรและมงกุฎรากับเจ้าหญิงจะเขย่าเรียกอย่างไรก็เป็นท่อนหินอยู่เช่นนั้นเขาหลับตาลงเอามือบีบขมับแล้วพูดต่อมาเบาๆว่าในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะตื่นขึ้นมานี่เองฝันว่า ตัวสังหาเลื้อยผ่านมารู้สึกว่าป่าทั้งป่าลุกเป็นไฟล้อมรอบตัวไปหมดร้อนแทบดับจิตขณะที่ฝันนั้นอยู่คนเดียวไม่มีใครอื่นของพวกเราร่วมอยู่ด้วยในฝันว่าคงตายแน่ในใจบอกว่าก่อนตายก็ขอภาวนาสวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อจะได้ไปสู่สุขติพบมันแปลกมากสังหาตนนั้นได้เลื้อยเข้ามาจนใกล้ จ้องมองดูพี่แล้วชั่วอึดใจเดียวภาพของงูไฟมีตีนตัวนั้นก็จางหายไปกลายเป็นภาพของผู้หญิงสาวสวยสีผิวกายราวกับสีหม้อใหม่มีมงกุฎเป็นรูปงูประดับเพชรดินจินดาวาวูบไปหมดประดับอยู่เหนือเสียงพี่ได้สุด ต, ตัวลงพนมมือกราบที่สตีลักษณะประหลาดนางนั้นหรือองนั้นรู้สึกว่าเราจะมีการพูดจะอะไรกันด้วยหลายประโยคทีเดียว แต่พี่จำไม่ได้เสแล้วรู้แต่เพียงว่าพี่กราบขอพรขอความคุ้มครองสวัสดิภาพเธอยิ้มแย้มด้วยลักษณะและคำพูดจาทักทายเต็มไปด้วยความปราณีแต่ไว้ตัวอย่างนางกษัตริย์หรือเทวานารีอะไรประเภทนี้แหละแล้วเธอก็ขอสัญญากับพี่ในข้อหนึ่งคือต่อไปภายหน้าขอให้ไว้ชีวิตอย่าได้ทาอันตรายใดๆต่อ ง, งูทั้งหลายในโลกนี้อีกเลยจะได้หรือไม่ พี่รับปากไปว่ายินดีที่จะปฏิบัติตามที่เธอต้องการโดยถวายสัตจะเธอจึงปลดกําไรเพชรที่ข้อหัดเป็นกําไรที่สวยงามมากเป็นรูปงูสองหัวโยนมาให้กับพี่บอกว่าขอมอบไว้ให้เป็นเครื่องป้องกันตัวขณะที่กําไรอันนั้นลอยมามันสว่างพราวเหมือนตะไลเพลิงปรากฏแสงวูบว่าเป็นวงกลมไฟ พอพี่รับไว้ได้ก้มลงมาดูก็ปรากฏว่ามันกลายเป็นงูสองตัวลักษณะกลืนหางกันและกันตายแห้งอยู่อย่างที่ถามนานอินนั่นแหละช่ยยันอนุชาอุทานลั่นออกมาพร้อมกันส่วนนานอินโ ด, ดตู้มขึ้นยืนตะลึงไปอึดใจหนึ่งพอตั้งสติได้ก็โผลเข้ามาที่เขาเขย่าแขนโดยแรงร้องออกมาว่า ผู้หญิงคนนั้นก็คือนาคเทวีหรือมิฉะนั้นก็ธิดาของนาคราชกําไลงูที่โยนมาให้ก็คือนาคขบาทอาวุธสำคัญที่สุดของพญานาคทั้งหลายและที่กลายเป็นรูปงูสองตัวกินหางกันก็เป็นการบอกใบให้ในายใหญ่รู้ว่าถ้าพบเห็นงูสองตัวกินหางกันติดคาเป็นวงกลมเมื่อไหร่ก็ให้เก็บไว้นานอินรู้แล้วความฝันของนายหมายถึงอะไร มันเป็นฝันดีที่สุดที่ดาพยานนาคมาชี้ช่องทางแก้กเคล็ดให้แกเราแล้วและหนานอินก็แทบจะแหบปากโหร้องออกมาด้วยความดีใจขีดสุดชายยันและอนุชาก็เต็มไปด้วยความปิตรระคนชงนเหลือที่จะกล่าวเข้ามารุมล้อมเชษฐามันเป็นความฝันเท่านั้นนะพอตื่นขึ้นมาฉันก็มองไม่เห็นงูกินหางสองตัวหรือนาคาบาาอยู่ที่ไหนเลย เชิถาแบมือพลิกไปมานายไม่ต้องกลัวหรอกไม่ช้าไม่นานนายต้องเจองูกินหางเป็นวงกลมอย่างที่พบในฝันได้แน่นี่เป็นลางบอกใบให้รู้ล่วงหน้าว่าถ้าพบงูกินหางที่ไหนก็ให้เก็บไว้อย่าผ่านพ้นไปเสียเพราะหน้าคาเทวีถอดกำไรจากข้อมือให้พอโยนมาตกลงตรงหน้าก็กลายเป็นตัวงูสองตัวกินหางกันและกัน มันก็เท่ากับเป็นการชี้บอกอยู่ชัดๆแล้วนั้นอินเชื่อว่านายใหญ่หรือพวกเราคนใดจะต้องพบของประหลาชนิดนี้แน่ๆไม่ช้าก็เร็วและถ้าเรามีหน้ากระบาดเมื่อไรเมื่อ น, นั้นไอมันตรไม่มีวันผุดวันเกิดหรือหวนกลับมาได้อีกแล้วต่อให้มันมีอิทธิฤทธิ์ล้นฟ้าสะแค่ไหนเชิฐาผิวปากยาวมองหน้าทั้งเพื่อนและน้องชายผู้หน้าตาตื่นอยู่ ถามเบาๆว่าสองคนนี้คิดยังไงเชษถาถ้ามันจะเข้าเขาตามที่ลุงอินว่าเสร็จแล้วละ่ะสำหรับความฝันของแกชายยันพูดเสียงสัน่นมันเป็นสิ่งประหลาดมากทีเดียวกําไลเพชรถอดออกจากข้อมือของสาวสวยที่ครั้งแรกแกเห็นเป็นตัวสางหาโยนมาให้แกเมื่อแกขอพรขอสวัสดิภาพคุ้มครอง แล้วพอตกลงตรงหน้าก็กลายเป็นซากงูแห้งสองตัวกลืนหางกันและกันนั่นคือการบอกใบว่าถ้าพบก็ให้เก็บไว้แกยังไม่ได้เล่าความฝันให้ลุงอินฟังก่อนแต่ไต่ถามถึงความเป็นมาสรรพคุณของงูกลืนหางเป็นวงกลมซึ่งลุงอินก็บอกให้ตามที่แกรู้โดยที่ลุงอินไม่ได้รู้ความฝันที่แกอุบไว้ก่อนเมื่อมันมาสอดคล้องกันได้เช่นนี้ก็แปลว่า นาคเทวีองค์นั้นมาเข้าฝันบอกถึงวิธีแก้อาถรรพ์กาลีของมันตรายให้กับแก่และพวกเราจริงๆมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือเมื่อไหร่เราถึงจะพบงูสองตัวเขมือป๋างกันและกันแล้วเราก็เก็บเอาไว้ได้อย่างหนึง่งโดยความฝันแบบนี้เราก็รู้แน่แล้วว่าสางหาหรือแท้ที่จริงก็คือนางพญานาคราชจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อพวกเราเลย เทาเองก็อยู่ในอาการงงๆพนมมือขึ้นเหนือศีรษะสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นจริงๆเถอะตอนนี้เราจะทำยังไงต่อไปดีก็ตามแผนเดิมนั่นแหละครับพี่ใหญ่ 1. รอพวกลูกหาบมาสมทบ ร, ร้วมกันที่นี่ 2. อ, ออกติดตามหาน้อยเป็นลำดับต่อไป 3. รอว่าเมื่อไหร่เราจะได้หน้าขบาดอย่างที่ลงอินว่ามาแล้วถ้าได้มาแล้ว เชษฐาเอ่ยกุกๆกั ก, กักอย่างไม่แน่ใจเราจะนาหน้าขบาานั้นมาใช้อย่างไรกับมันตรยัยนั้นอินหัวร่อร่าออกมาเป็นครั้งแรกซึ่งนานๆทุกคนจึงจะเห็นแก่หัวเราะ อ, อย่างนี้เสียครั้งหนึ่งเรื่องนั้นนายใหญ่ไม่ต้องห่วงขอให้เราพบเห็นหน้าขบาาที่ทิดานหน้าคราชปันดานทิ้งไว้ให้เราเห็นก่อนเถอะนั้นอินจะเล่นกับโคดของไอ้มันตรยเองสารพัดวิธีที่จะชะกับมันได้ ขนาดไม่มีอะไรเลยถ้าเรามีหน้าขบาต์ไว้มันก็จะไม่กล้าเข้ามาคล้องแวะกับเราอีกแล้วหรือถ้าจะบุกลุยกันให้ถึงที่เอาหน้าขบาต์โยนเข้าใส่มันวิญญาณของมันที่ถอดไปโน่นไปนี่สิ่งนั่นสิงนี่ได้จะถูกหน้าขบาต์มัดไว้กระดิกไปไหนไม่ได้อีกเลยเวทมนต์วิชาอาคมมันจะย่อยยับเสื่อมสิ้นหมดเอาไว้ถึงเวลานั้นก่อนแล้วหนานอินจะทาให้นายดู ไปประลายกันยังไงยังไงเชียวแหละนายเอ้ยแต่ก็น่าแล้วนะเราจะพบงูกลืนหางหรือที่เรียกว่าหน้าขบาลนี่ได้ที่ไหนเมื่อไหร่เท่านั้นแม้ว่าจะฟังดูเลื่อนลอยสักเพียงใดก็ตามกำลังใจก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วสำหรับทุกคนที่รวมกลุ่มกันอยู่ในขณะ น, นี้แม้แต่อนุชาเองผู้ไม่ค่อยจะเลื่อมใสในอะไรนะักนอกจากฝีมือของตนเอง ก็ยังเต็มไปได้วยความสุดถึงอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นนิมิตไม้ที่ดีเป็นกําลังใจปลอบขวัญและนิมิตไม้ชนิดนี้มันก็ได้เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีศีลสัตย์เป็นผู้ที่น่าศรัทธาเคารพที่สุดของคณะไม่ได้เกิดขึ้นจากคนกะล่อนขี้ปวดมดเทปปั้นนะ้าเป็นตัวที่ไหนเรามีข้อพิสูจน์กันได้ครั้งหนึ่งครับพี่ใหญ่อดีตพรานชดกล่าวเสียงเริ่มมีกังวานใสขึ้น ถ้าความฝันของพี่ใหญ่เป็นความจริงถ้าเทพธิดาแห่งหนาคราชหยิบยื่นการช่วยเหลือมาให้แก่พวกเราจริงเราก็ต้องได้พบสิ่งที่ลุงอินเรียกว่านาคบาตจริงในระยะเวลาก่อนที่พวกเราทั้งหมดหรือคนหนึ่งคนใดจะพินาศไปแต่ถ้าเราไม่พบของสิ่งนั้นมันก็เป็นแต่เพียงแค่ความฝันในภาวะที่พี่ใหญ่กําลังตกยากลําเค็นอยู่กลางป่าเท่านั้นเธอสรุปได้ถูกต้องเชษฐายอมรับ ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปถ้าเราพบงูกลืนหางกันเองสองตัวเป็นวงกลมก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดเรารับมือกับมันไได้แน่แต่ถ้าไม่พบความฝันของพี่มันก็เป็นสิ่งไร้สาระและถ้ามันเป็นความจริงเราก็จะได้พบสิ่งนั้นโดยเร็วที่สุดด้วยชายันเสริมมา มิเสฟีเท้าคนหมู่มากเดินย่ำกรวดลงมาจากลาดด้านบนและให้เสียงสัญญาณกูโวกเวกขยินป้องปากกูตอบออกไปชั่วอึดใจใหญ่ก็ลเห็นในชวนนนำขนาดลูกหาบแบกบหามสัมภาระข้าวของลงมาอย่างระมัดระวังตามแก่งแง่หินเพื่อตรงเข้ามาสมทบเสียงนานอินตะโกนเตือนให้พวกนั้นใช้ความระมัดระวังเพราะพื้นชันและยังลื่นอยู่มาก ต่างดีใจที่เห็นทั้งห้าคนอยู่ครบและกำลังกินอาหารรออยู่แต่พอเกิดทักทายสอบถามกันสองสามคำทราบว่าไม่มีวี่แววของนายหญิงต่างก็หน้าแห้งสลดกันไปอีกเชษฐาเร่งสั่งให้พวกนั้นลงมาอุ่นอาหารกระปองและกินให้เสร็จเสดยเร็วเพื่อจะได้ออกเดินทางติดตามดาริน